ยังไงครับวันนี้สนดื้อไหมกลับนามัสการค่ะกลับนามัสการดืีอไหมคะอาจารย์ถามดูเออดี้ีลก็ก็แค่นิดหนึ่งแต่แต่แต่แต่ความไม่ดื้อเยอะความไม่ดื้อเยอะมากแต่ดื้อแค่นิดหนึ่งคับพระอาจารย์โอ้พูดเก่งเลยดื้อนิดเดียวความไม่ดื้อมากเหรอจริงหรือเปล่าถามแม่ดูนง พจริงครับใช่ไหมอ๋อดีมากตอนนั้นเป็นเกากับพระอาจารย์อื อ, อ, อ, อไปแล้วคะ่ะไปแล้วไปแล้วค่ะอือไปไงมีอะไรไหมอาทิตย์นี้มีปัญหากับทางแม่นิดหน่อยค่ะพระอาจารย์เขาเขาเขาเขารับความตนของน้องไม่ไหวเขาเขา อเราก็ไปแล้วก็ก่อนไปก็มีไม่เข้าใจกันค่ะแต่หนูก็ไม่อเหมือนที่พระอาจารย์เคยสอนว่าก็นิ่งไปใช่ไหมคะหนูก็นิ่งค่ะมันก็เป็นแค่อารมณ์เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะคือแค่พูดไปนิดเดียวก็ <laughs> ก็เขาเขาก็ไปคิดเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเขาก็เ อ, อรู้สึก ไม่ดีมังคะแล้วก็คงไม่พอใจแล้วกนเลยออกจากบ้านไปแล้วแล้วหนูก็แบบหนูก็ไม่รู้จะทํำยังไงหนูก็เฉยตามนี้ว่าฉันอสอนค่ะไป ส, สักป๊บก็ค่อยโทรไปคุยใหม่ค่ะพระอาจารย์เขาไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะพู ด, พดยังไงอะค่ะพูดอะไรเดี๋ยวเอาหน้าโทรไปก็เขาก็ลืมครับเป็นอะไรโทรไปก็ไปทักทาย <laughs> สบายใจค่ะพระอาจารย์ ได้ได้ทำมาได้คําสอนของพระอาจารย์นะคะทําให้แบบ อ, อยู่อยู่ได้ค่ะต้องมีความเมตตาต้องให้อภัยค่ะเมตตานี่สําคัญจริงๆนะคะพระอาจารย์เมตตาคําจุนโลกถ้าเราเรามีความเมตตาต้อเราจะอยู่กันอย่างสุขสบายค่ะอตอนรับปีใหม่เลยค่ะหนูก็แบบ<笑><笑><笑><笑>เอ<ท>อมาทดสอบกันตั้งแต่วันแรกของปีเลยั็ดีค่ะ แสดงว่าเราก็มีธรรมะอยู่ในใจค่ะพระอาจารย์การที่เราไม่ได้ไปแบบว่าคือยอมหยุดเย็นยอมหยุดเย็นใช่ใช่ค่ะแต่ไม่ได้งอ้อไม่ได้อะไรนะคะไม่ไปล่อยปล่อยเขาไปเพนาะนั้นเหมือนไฟลู ก, กอะอย่าไปพูดอย่าไปทำอะไรไปลอยให้ไฟมันไห ม, ไม้เดี๋ยวไฟมันหมดแล้วมันก็หยุดเองอ หยุดแล้วเข้าไปคุยใหม่ทิ้งเวลามันก็ได้แล้วก็โทรตามสบายดีรนะจ๊ะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วค่ะจ้าแล้วแต่ก็จะพูดหรือไม่พูดแต่ก็ไมพูดกระจกเพราะว่าลืมไปแล้ว่หนึ่งลิ้นกับฟันอ่ะใช่ไหมหยไปกันว่าต้องไปขบกันและว่็อย่าไปสาวความยาวต่อความยืดค่ะทีแรกหนูก็คิดว่าเอถ้าไม่งอเนี่จะแบบเป็นการแบบ บาปไหมหรือว่าทำมไม่ถูกหรือเปล่าก็งอทีหลังไงเราให้ไฟมันดับก่อนค่ะอาจารย์ทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งเราโทรไปคุยกันทักทายสบายดีเลืออะไรเงี้ยค่ะแล้ ว, ลวรู้สึกว่าตัวเองวางเฉยจนเฉยเฉยกับทุกสิ่งแล้วไม่เฉยาเฉยเลยที่ไม่ไปไ่ไปติดต่อก็แสดงว่าอันนี้ก็ไม่ไม่ถูกแล้วอ๋อค่ะูเบกามากเกินไปมันก็ไม่ถูกค่ะ ก็เฉยแบบวนเงินให้อย่างนี้ค่ะเราเอาไปถามได้แล้วเปล่าเลยสบายดีเปล่าถือว่าเป็นเรื่องปกติไปทำเป็นปกติไปเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ทำเป็นเรื่องไปไม่ต้องไปคิดถึงมันเยะค่ะพระอาจาน้อมนำไปปฏิบัติค่ะดีค่ะ พระเมธามากก็มันก็ช่ว ย, ยอะไเยอะช่วยทําให้เราใจเย็นค่ะอืม <c oughs> ไม่ว่าไม่ตอบโต้ช่วยได้มากจริงๆค่ะนี่เฉยๆยอมหยุดเย็นยอมแพ้ยอมให้เขาโกรธยอมให้เขาพูดให้เขาทําเลยแต่เราจะหยุดเราจะหยุดตอบโต้จะเฉยๆไม่ค้า เขเวขาได้ใจเรีนยนเนี่ยพอพอหนูบอกไปอย่างเงี้ยล้วค่ะหนูบอกไปแค่ว่าพอพอเขาเริ่มเริ่มฮีตอัพใช่ไหมคะหนูก็บอว่าโอเคโอเคงั้น จ, จบแค่นี้แหละค่ะแค่นี้ยจบจบพอแล้วพอแล้วกลายเป็นไปจุดไฟขอขาจบกัน อ, อะไรโอเคเอไม่น่าพูดอะไรพูดอย่ังไงหนูพูดว่าจบก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้ตอนนั้นนะค่ะ พูายอมแล้ว่คอาจารย์เอาแล้วแล้วแต่แม่เลยจบอจบแค่นี้จบไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไรแล้วจบเลยกลายเป็นหนูไม่สนใจกันเขาแต่ลลมเขามายอมจบอะค่ะพระอาจารย์จริงด้วยค่ะเฉยๆดีสุดหนึ่งเฉยยอมหยุดเย็นยอมไว้ไว้ยอมไว้ไว้ตอบเยอ ค่ะค่ะนี้จะจะจะหยุดปากไอ้คำว่าจบจบแค่นี้ก็จะไม่พูดแล้วค่ะต่อไปมีอะไรกับใครก็จะเงียบเลยเราเงียบลงก็แสดงว่าจบอยู่แล้วไม่ต้องไปพูดแล้วมาสักการค่ะพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะโอเคนะสาธุย่าสาธุอ่าไปที่จังหวัดกาาจย์ที่ เป็นยังไงมีอะไรไมรามาส่งกันบ้านครับโอเคมามาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่งพ ค, ความแก่ไปไม่ได้เ ร, เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่งคนความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่งคนความตายไปไม่ได้เร า, เราจะละเว้น<ส>เป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพากจากของบักของเจริญใจทัางๆทั้งปวม เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแานเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่องอาศัยเราทํากรรมันใดไว้ <c oughs> เป็นบุญหรือเป็นบา <c oughs> เปบาเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสื่อไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอดนัพิจารณาไหมพิจารณาครับ ทำอะไรต้องคิดดูให้ดีก่อนนะว่าเราพูดไปทำไปเป็นบุญหรือเป็นบาปนะถ้าเป็นบาปไวอย่าพูดอย่าทำนะครับโอเคแล้วร่างกายเราเป็นยังไงมีตัวตว น, วนรหรือเ่าไม่มีมีผมขนเล็บขนหนังเนื้อเอ็นกระดู เยื่อในกระดูกมางหัวใจตับถังผื้นไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองชีสะน้ำดีน้ำเสจน้ำเหนืองน้ำเลือดน้ำเหนือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูก น้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันค้นน้ำเงื้ยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสด็จน้ำดีเยื่อในสมองฉีดสัอาหารเก่าอาหารใหม่ใสซน้อยใไซใหญ่ปอดไต ถังเผยตับหัวใจ ม, ม้ามเยืกกก่กระดูกระดูเอ<น>็นเนื้อหนังปั่นและขนผม<น>มีมจตี้มีจอนัดอยู่ในนั้นไหมไม่มีครับใช่ไหมเราไปเรียวกว่าเป็นตัวเราได้ไหมหลงครับลหลงนะ<อ>เราไปตู่เขาเรียกที่ตู่ใช่ไหม ของไม่ใช่ของาแบของผมของผมอครับไม่มีนะไม่มีตัวเราในร่างกายไม่มีแจตี้ไม่มีจำแนนอยู่ในร่างกายนะครับโอเคจำแมนกับแจตี้อยู่ที่ไหนอยู่ในโลกทิพย์ครับอ่าอย่างนไม่ต้องกลัวนะร่างกายเป็นอะไรก็ปล่อยมันไปปล่อยมันเป็นไปมันมันทําจำแนนไม่ได้ครับอ เวลามันกลัวก็พุทโธพุทโธท่องพุทโธพุทโธไว้แล้วพระเจ้าก็จะกลัวครับไม่มีแล้วมีคำถามนิดนึงนะค่ะพระอาจารย์การวางตัวให้อยู่ตรงกลางระหว่างทางโลกกับทางธรรมค่ะเหมือนทางธรรมเราปฏิบัติไปเราก็อยากจะวางอุเบรขาใช่ไหมคะไม่อยากรับรู้อะไรเพราะว่ายังไงวันหนึงเราตายอ่ะ เราก็เป็นห่วเป็นใยใครไม่ได้อยู่แล้วช่วยใครไม่ได้อยู่แล้วแต่ในทางโลกอ่ะถ้าเราเงียบไปเลยแบบไม่ติดต่อใครอไม่ถามว่าเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันจะดูว่าเราเป็นคนใจดเนีหยเหมือนแบบอยู่ก็หายไปเลยอะไรเงี้ยเราดำหรือเปล่าไม่ไม่ดแต่เราไม่อยากรับรู้อะไรเลยว่าก็เหมือนว่าก็นูก็คิดว่าถ้าเราตายเราช่วยใครไม่ได้อยู่ดีแหละถ้าเราไปถ้าเราไปติดคุกจะมีใครเข้ามาหาเราหรือเล่า ใะเราจะว่าเราใจดํารือวปล่าถ้าเราไปติดคุกะเขาจะไม่อยากจะมาสนใจกับเราเดยซ้ำไปอ่านั้นเราคิดไปเองะแต่ถ้าเรามีหน้าที่ต้องเกี่ยวข้งของกับใครก็ต้องทําหน้าที่ต้องมีความเมตตาต่อกันเป็นพ่อแม่ก็ต้องคอยดูแลกันติดตามซามสาราทุกสุขเดือบอะไรทำเรานี้แต่คนที่ไม่มีที่เราไม่ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องบังพับปฏิบัติกับเขาเราก็ไม่ต้องไปทำเลย นอกจากว่าถ้าเขาเขาติดตามมาก็อาจจะตอบไปเพื่อไม่ให้เสียมาระยาแต่คนที่มีความเกี่ยวข้องผูกที่เราต้องทำหน้าที่มีความสัมพันธ์ที่ต้องทำหน้าที่ของเราเราก็ต้องทำไปติดต่อกันติดตามตามสารทุกข์สุขดูแลกันไปแต่คนที่เราไม่มีความ ไม่มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติอะไรกับเขาไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปติดต่อเข า, าอ่าแต่เขาจะคิดยังไงเนี่ยเพราะเขาก็ห้ามผมไม่ได้เขาใจแล้วค่อืมเดื อ, อปีหนึ่งเขส่งสองสอไปขั่งเขาท่านได้รู้ว่ายังไม่ยังคิดถึงกันอยู่อะไรทํานองนี้อืมจบอะไรไป แล้วส่งมากกับสสได้ก็ดีส่งของขวัญส่งอะไรไปนะก็ทางนั้นแหละก็จบยแต่ถ้าไม่ส่งก็ไม่เป็นไรก็ไม่เสียแล้วก็ไม่ได้ใจเจื่ใจดำอะไรบางทีเราไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินเยอจะซื้อข่าวซื้อของส่งมาให้เข า, เาก็ไม่ต้องส่งไปแต่เราก็ต้องเตรียมตัวรับกับปฏิกิริยาของเขาเราจะพอใจไม่พอใจนี่เราก็ห้ามเขาไม่ได้ <c oughs> แต่เรามีจุดยืนของเราจุดยืนของเราคือเราไม่อยากจะคุกคีไม่อยากจะสังคมมากจนเกินไปใช่คร่อเข้าใจเข้าใจโอเคนะโอเคต่อไปที่คุณฝนกเอาลนกชายมาอาจารย์ครับเดี๋ยวลูกชายจะได้ไปนอนได้สวัสดีครับชื่ออะไรครับ าากลนมัสการค่ะพระอาจารย์อ่ะทีนี้บอกพระอาจารย์สิค่ะชื่ออะไรช่ทีมนะอ๋ะชื่อทีมค่ะชื่อที ม, ทมค่ะทีมค่ะ T I M ทีมค่ะทอยอีมทิมค่ะเออทีนี้จะมาทํำอะไรวันนี้มาขอบคุณพรอาจารย์ที่ส่งอะไรมาอาจารย์มาให้ครับอะไรนะอ๋อส่งของไม่ให้เลยเขาจะมาขอบคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ชอบไหมชอบไห ม, ช อ, ไหมชอบนะชอบนะ ไ ด, าด้าไม่เช่าก็ไม่เป็นไรนะวันนะี้แซไปงเรียนมาครับฮะพูดดังๆหรอวันนี้แซไปโรงเรียนนะครับอา่ามีไว้ทําไมรู้ไหมทำไมคะรู้หรไหมไเ้เคารพพระอาจารย์ค่ะให้นึกถึงความดีให้ทําความดีอา่ามีพระเป็นอา่าเป็นเพื่อนเราเป็นผู้นําทางเร า, เราต้องทําตามพระาสอนให้เราทําความดีแล้วความเชื่ออ่นี่คือจุดหมายของการ ห้อยพระหรือห้อยอะไรเพื่อให้เตินสติไม่ได้ไว้ปกป้องพระปกป้องไม่ได้หรอกร่างกายเราถ้ามันจะเจ็บมันจะปวดมันจะโดนอะไรก็เป็นต้องเลี้ยวก็ห้ามมันไม่ได้นะแต่ห้ามใจเรยไม่ให้ไปทำาชั่วได้ถ้ามีพระสวมพระไปแล้วก็เออเราทำทาบาปไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกไม่ได้ขโมยของไม่ได้นะทำหนังนี้เข้าใจนะ ก็ใชครับไม่ใช่ไม่ใช่ใสไปแล้วจะทำให้เรียนเก่งสอบได้ที่หนมันเป็นไปนไม่ได้นะดูมไหมเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับ ค่ะก็ <S <S หนูก็พอดีช่วงนี้ก็ให้เขากลับมาสวดมนต์นั่งสมาธิอะค่ะเขาก็เหมือนคือก็เหมือนฝืนๆตัวเองอยู่นิดนึงค่ะแต่เขาก็พยายามทําค่ะแล้ววันนี้ก็ขอคุณแม่ก็อบอกว่าเออเดี๋ยวมาเข้าซูมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ช่วยคุณแม่เป็นคนล็อกอินเข้าซูมเตรียมทุกอย่างให้อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้ววันนี้ชวนเขาให้เข้ามาเขาจะได้รู้ต่อไปถ้าเขาต้องการเข้าหาธรรมะเขาจะได้วิธีเข้าหาได้ ค่ะก็พยายามดึงเขามาค่ะแต่ว่าคือได้มากน้อยมันก็อยู่ที่ตัวเขาอ่ะค่ะพระอาจารย์ก็ก็นั่นแหละทําหน้าที่ของเราส่วนเขาก็แล้วแต่เขาค่ะค่ะเมื่อเช้าพอดีก็ให้เขาเลือกว่าจะเอาสีไหนเขาเลือกแล้วหนูก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเอาไปใส่อยู่เขาก็เอาไปใส่เขาบอกเขาจะใส่ไปโรงเรียนก็เขาจะใส่ไปโรงเรียนทุกวันก็แล้วแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีนี้ก็ค่ะดี ค่ะของส่วนของหนูก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็หนูเริ่มที่จะออาทิตย์หนึ่งจะเริ่มเอ่อเริ่มได้เริ่มใช้เวลาหาวันหนึ่งในการที่งดอาหารหลังเที่ยงนะคะพระอาจารย์ต้องมีวันพระทั้งหนึ่งวันอาทิตย์หนึ่งนี่ค่ะแล้วก็ยังยังฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิอยู่ค่ะแต่ว่า<ม>อาจจะแบบไม่ได้ต่อเอ่อคือช่วงก่อนหน้านี้ต่อเนื่องมีแค่วั น, น, ว, นวันนี้ยค่ะวันสองวันนี้ที่ยังไม่ได้ทําเพราะว่าพอดีมีภารากิจนะคะแต่ว่า มีเวลาก็ทําอยู่ตลอดค่ะพระอาจารย์ก็ลูกหลับก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิเนี่ะค่ะอตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นทางด่วนก็ต้องติดไฟแดงติดเสียไฟแดงติดรถอะไรบ้างค่ะแต่ว่าอาทนนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็พาเขามากราบพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะอ่าสาธุจ้าสาธุค่ะไปปฏิบัติไปไเรื่อยๆนะค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะเจ้าค่ะอ่าไปเจ้คุณหมอพเช่เชยเชยุ้งหมอ กลาว น, นมัธการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ไดอธิบายอา่ฝึกจิตให่หวางเฉยครับพระอาจารย์นั่นแหละก็วางเฉยก็คืออุเบกขานน่ใจไม่มีอารมณ์รักชังโกรธถ้าไม่มีความรักชังโกรธมันก็ไม่มันก็จะไม่ไปตอบโต้ใครแต่ถ้ามันมีความรักชังโกรธมันก็จะต้องมีปฏิกิยาทันทีวิธีทําให้ใจเป็นอุเบกขาขั้นต้นก็ใช้สติ มักสตให้หยุดคิดให้จิตนั่งสงบให้เพราะความความคิดมันจะทําให้ใจไม่เฉยเมอเราหยุดความคิดได้ใจก็จะเฉยจะว่างจะเบาจะเย็นจะสบายมักสตินั่งสมาธิให้เข้าเข้าสู่อนสี่อันสีนี้ก็จะนิ่งเฉยสัต ว, ว์ก็รู้ความคิดปูแต่งความรู้สึกนะึกคิดหยุดทํางานไปเหลือแต่ควา ม, มรู้เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวกับอุเบขากับความสุข ที่เหนือกับความสุขทั้งปวงถ้าเราเจอความสุขแบบนี้แล้วเราเราไม่ต้องการอะไรจากใครแะไม่ต้องมีปฏิกิริยากับใครใครจะเด่นใครจะดังใครจะรวยใคระอะไรก็เรื่องของเขาแต่ว่าเขาแต่ว่าเขาสู้เราไม่ได้ถ้าเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้อเราให้ใครจะรวยขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าเขาสู้เราไม่ได้ไม่ว่าเราจะเป็นขอทานไม่ว่าเราจะอยู่ก็บับทัพ แต่ใจของเราที่ยิ่งใหญ่มหาศาลนั่มรวยยิ่งกว่าใครในโลกนี่พระพุทธเจ้าพันนาตเป็นพระเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นพระราชาโอรสอย่างที่สมบัติเหล่านั้นไปเลยเพื่อมหาสมบัติอันเนิ่นการฝึกจิตให้นิ่งเฉยนี่แหละมันไม่ไม่ให้นิ่งเฉยเฉยเฉยมันนิ่งเฉยแล้วมันได้ได้ความสุขที่เกิดจากความนิ่งเฉย ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขของมหาเศรษฐีเหนือกว่าความสุขของพระราชามาหากษัตเหนือกว่าความสุขของของไข่ทั้งนั้นไข่ได้รางวัลเหรียญทองกี่เหรียญก็เท่งนั้นน่ะหรือความสุขจากการมีไปเสพรูปเสียงกลิ่นไปเที่ยวตามสถานที่ตา่างๆไปทําโลกกันจันดาวอังคารหรืออะไรก็ตามไปเถิด สู้ความสุขที่เกิดจากการทําใจให้นิ่งให้สงบไม่ได้ทีนี้คํานิ่งสงบมันมีอยู่สองระดับระดับชั่วคราวกับระดับถาวรถ้าการใช้จิตสติควบคุมใจให้หยุดคิดเช่นใช้คำํำในคำพุโทโธหรือดูลมหายใจถ้าทําอย่างต่อเ น, นื่องสติไักขาดตอนเดี๋ยวจิตก็จะหยุดคิดได้แต่มันก็จะหยุดได้ชั่วคราวเพรอสติอ่อนกําลังลงเพอสติถอนลง พอสติอ่อนลงจิต ก, ก็จะถอนออกมาคิดปรุงแต่งพอคิดถึงปรุงแต่งความสงบก็จะจางหายไปปั๊บกิเลสตัณหามันเนิ่นมออกมาเพ่นท่านเนี่ยความโน้มความกดความหลงยังไม่ได้ตายจากการใช้สติหยุดความคิดทาใจให้นิ่งแต่กดมันไว้มันเห็นทับย่าพอเอาเพราอเอาออกจากสมาธิก็เหมือนกับยกขินออกจากญ่าที่ทับไว้ พ อ, อยากไม่มีหินทับเดี๋ยวได้แดไดไ ด, ได้น้ำสักพักมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่เพราะรากมันจะอยู่ในดินไม่ตายรากของกิเลสก็คือโมหะอาวิชาก็ไม่ได้ตายจากการถูกกดของสติพอเอามาคิดตรุงแต่งบ้าโมหะอาวิชาก็ออกมาทํางา น, นเห็นอะไรก็เห็นว่าเป็นสุขเป็นนิจจังสุขขังอัตาเห็นนั่นก็ดีเห็นนี่ก็ดีเห็นนามยึดสรรเสริญสุขก็อยากได้ขึ้นมาพออยากได้ใจก็อยู่ไม่เป็นสุข ใจก็ร้อนขึ้นมาทันทีวิธีที่จะทําให้ใจกลับไปเย็นสงบนิ่งเฉยต้องหยุดความอยากและการจะหยุดความอยากก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเห็นเงินถามว่าเป็นสุขกันนะ่ะมันเป็นทุกขลาภนะพอได้งเงินมาแล้วมันมันเครียดแล้วสิจะเาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนเบื้องต้นนะถ้าเอาคนรู้ว่าเรามีการที่แข่งกันมาแล้วสิ ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยเจอกันเป็นปีนี่เมื่อโผล่กัอย่างไงออกมาว่าอะโอ้ทาหน้าตาพูดจาหวานเชียบเพื่อยากของเงินพอไม่ให้ก็โกรธเราเองด่าเราอีกเราไปทุกข์กับเขาอยู่ดีๆเราต้องไปทุกข์กับเขา ท, ทั้งที่เราไม่ร้อยปีพันปีไม่เคยเจอหน้ากันเลยพอรู้ว่าถูกวัตถเรืวันที่หนึ่งนิ้วแห้งกันมาเต็มบ้านเลยพอไม่ให้ก็ด่าเราอีก ถามว่าขีเตื่นเห็นแก่ตัวไม่รักเพื่อนไม่รักพี่น้องเอว่าไปอันที่เวลาจะตายอดอยากจะตายไม่มีใครโผ่มาดูแล เ, เลยใช่ไหมอันนี้แหละแล้วถ้าเก็บเอามาเดี๋ยวก็ต้องเอาไปใช้เดี๋ยวใช้มันก็หมดเลยหมดมันก็ทํางานมันก็ทุกข์ก็เห็นมันไม่พอใช้แล้วะ อย่าไปมีลาบยศเสืส่อเสื่อเลยมีแล้วมันเสื่อมไม่แล้วมันเสื่อมมันจะทําให้เราทุกข์พิจารณาเห็นว่ามันอ น, นิจจังไม่เที่ยงมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาอ น, นัตตาไม่ใช่ของเราเราสั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้อยู่กับเราได้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็จากอราไปอยากให้เห็นอ น, นิจจังทุกข์ของอ น, นัตตาก็คือเห็นทุกข์อ่ะมีอะไรต้องทุกข์กับสิ่งที่มีญญทันที มีเงินก็นต้องทุก์กับการรักษาดูแลวิตกกังวลเวลาหายไปหมดไปก็เศร้า ก, ก, ก็ทุกข์อีกทุกข์ก็หมดไม่พอใช้ไม่มีใช้นี่คือวิธีที่จะทำให้จิตกลับมาเป็นนิ่งเฉยตามปกติได้ก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ห็นทุกสิ่งทุก อ, อย่างในโลกนี้เป็นตายลักหมดน่สนเสริสุงไม่แต่ร่างกายก็เป็นตาลัก ความรู้สึก น, นึกคิดก็เป็นตายรับอย่าไปยึดอย่าไปติดมันให้เป็นให้ให้ความสุขกว่าเรามันให้ได้มันให้เราได้บางครัง้งบางคราวแต่เราไม่สามารถจะสั่งให้มันให้เราได้ตลอดเวลาอพอเห็นด้วยปัญญาก็ไม่เอาเลยไม่เอาเลยทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าใช่ไหมสละราชย์สละเสรสิสุพไปแล้วไม่เคยกลับไปหามันเลย Ens, bien, museums, ล אחד, แล้วก็แม้แต่น่างกายท่านท่านก็สละถ้าไงน้างกายก็เป็นทุกข์ไม่ชนะก็เป็นนึกคิดก็เป็นทุกข์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีเด็กก็สุขก็เวทนาเดยกก็ทุกข์ก็เวทนาเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เวทนาถ้าพยายามให้มันสุขอย่างเดียวก็พอมันไม่เป็นก็ทุกข์ขึ้นไปอสําหรับก็คือต้องเห็นทุกอย่างว่าเป็นตายละปล่อยให้หมดปล่อยของภายนอกก่อน ปล่อยว่าลาบยศเสริญเสบปล่อยคนนั้นคนนี้ครอบครัวสามีภรรยาบุตรธิดาเพื่อนฝูงอะไร <c oughs> แล้วก็มาปล่อยร่างกายมาปล่อยเวทนาแล้วก็มาปล่อยธรรมอารมณ์ในจิตใจของเราปล่อยมาแล้วทีนี้ก็สบายจิตก็เร่งสงบไปตลอดไม่มีวันสิส้นสุดไม่มีอะไรมารบกวนใจไม่มีอะไรมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับจิตใจ อันนี้แหละเป็นคำนิ่งเฉยที่อาวรนจ่ายของพระพุทธเจ้าอย่างประธานน้เฉยกับทุกอย่างไม่มีอารมณ์เหมือนเหมือนเดินใบบัวเห็นรูว่าเฉยได้ยินเสียงก็เฉยการจะชมการจะด่าก็เฉยนใครจะป้ายร้ายป้ายสีก็เฉยพระพุทธเจ้าท่านโน่นทุกอย่างป้าโนนบางทีบอกอยู่อย่างอยู่ที่นี่เลยพระพุทธเจ้ามีแต่คน หาเรื่องจะไปที่ไหนมันก็เหมือนกันแหละมันต้องมีคนหาเรื่องเราอยู่ตลอดเวลาคนเด่นคนดานคนดีนดี่นต้องมีคนอิจฉาใช่ไหมแต่ใจไม่สะเทือนทุกอย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็ได้ไงถ้าไม่สั่นไม่สะเทือนใจท่านเฉยกับทุกอย่างโกกนกฐธรรมแปดเกิดแล้วดับจะ แ, แล้วเสื่อืม ใจไม่ทุกข์กับอะไรร่นางกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ทุกข์เมตนานจะเกิดขึ้นจะแบบจะสุขจะทุกข์จะไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เดือดร้อนมันยังมีขันขันมันยังมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้สิ่งเหล่านี้แบบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอารมณ์ก็เหมือนกันก็ยังมีการแปรปรวนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ใจไม่ไปทุกข์กับมัน เพราะไม่มีความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้เฉยๆด้วยปัญญาเห็นพราเห็นตายนักในสภาวะธรรมทั้งปวงสลดงที่สับเบธามานาตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนาตตาเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันได้ให้รู้เฉยๆใช้อุบเบกขาจากสมาธิให้รู้เฉยๆ อ่าเข้าใจแล้วครับเข้าใจมากขึ้นมากครับอาจารย์ขอบคุณอย่างสูงครับโอเคอ่ามีเด็กชายน้องพีเข้ามาให้น้องพีก่อนนะอะ่น้องพีจะได้ไมปนอนได้เป็ไงน้องพีหายหน้าไปไหนมานะพูดดิไม่พูดอะไรเลยครับเออเอออยู่เลยเราพูดกับดตาเลย Happy New Year, พแอปปี้นิวเยียร์คะหลวงตาครับอขอบคุณมากขอให้ น, น้องมีความสุขมากๆนะขอให้หลวงตาสุขภาพแข็งแรงธาดขันอย่างแรงนะคะขอให้น้องพีมีความสุขจากการทําความดีนะความสุขที่แท้จริงเกิดจากการทําความดีไม่ใช่เกิดจากการได้ขนมได้ข้าวของเพราะนั้นมีความสุขความสุขเดียวเดียวอืม ทำด้วยการทำความดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่คุณคูไม่ขโมยของไม่โกหกอยุ่แบบนี้เป็นสุขที่ยังยืนมีอะไรไ้ยคุณแม่หนูจ ะ, ะเลียนถามหลวงพ่อเจ้าค่ะว่า ที่หลวงพ่อบอกว่าการที่เรานั่งสมาธินานๆแล้วเหมือนว่าเราติดสุขอยู่แก็บตรงนั้นอย่างนี้นแล้วเราจะทํายังไงให้มันแบบพัฒนาไปมากกว่าคือนั่งสมาธิบางทีนั่งแล้วพอนั่งนานๆแล้วมันก็จะรู้สึกติดสุขตรงนั้นก็อยากจะนั่งอยู่แต่ตรงนั้นแล้วพอออกจากการนั่งสมาธิแล้วก็พิจารณาปัญญาโดยการที่ให้เรามองมองทุกอย่างเป็นไปรักษณ์อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แล้วลวมันจะทํำยังไงให้ มันมันไม่ติดอยู่กับแค่แบบสมาธิแล้วก็นิ่งอยู่อย่างนี้ค่ะก็ <c oughs> พิจารณาก็เป็นปัญญาแล้วไง พ, พิจารณาเพื่อให้จิตมันนิ่งตลอดเวลาเพราะคํานิ่งของจิตนี่เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรยะดีเท่าค่ะหลวงพ่อแนะนําให้เพิ่มเติมได้อีกไหมเจ้าคะว่าต้องพิจารณาอย่างไรบ้างให้แบบว่าก็ พ, พูดนี้ไม่ได้ยินเลยเนะี่ยพูดมาเมื่อกี้เนี่ยได้ยินค่ะได้ยิน ก็ไปทําให้ได้สิเนี่ยไปตัดความอยากในลายุศเสรเสริญศุขให้ได้ตัดความอยากในสามีในสามีในลูกให้ได้ปล่อยก็เป็นเขาตายกันเรื่องของเขาไปเขาเป็นอนิจจังทุกขรั้งทน่าตาเนี่ยเรายังทุกข์กับเขาอยู่ใช่ไหมยยังห่วงเขาอยู่นหะมยังกังวนมลมเไหมปงลูกลูคนตัวเหรอคะทุกคนเน่ะที่เรามีไม่กี่คนนะ ก็มีกังวลบ้างค่ะแต่ก็พยายามที่จะตัดแล้วต้องตันเพื่อไม่ให้มีกังวลเลยว่เาเขาเป็นทุกข์ถ้าเราไปเราไปห่วงเขาเราก็ทุกข์อะถ้าเราไม่ห่วงเขาเราก็ไม่ทุกข์ห่วงไม่ห่วงเขาก็ต้องแกเจ็บตายอยู่ดีไม่ใช่เหรออ่นั่นแหละนี่คือปัญญาไงเพื่อทําใจให้เรานื่งใจเราได้สงบจะได้มีความสุขทําการการแปรปรวยของสิ่งต่าง ทำเราจะมีสุขแม้กระทั่งรูกเราตายเมื่อสา ม, มีเราตายเมื่อแม้ร่างกายเราตายเราก็มีความสุขหน่อยที่พาะจิตเราไม่ได้เป็นร่างกายอย่างยนี้นีน่เกิดปัญญาสมาี่มันก็ให้เราสุขตอนที่เราอยู่ในสมาธิแต่พออยากสมาธิมามันถ้าไม่มีปัญญารักษา ม, มันก็จะวุ่นขึ้นมาทันทีเดี๋ยวก็วุ่นกับน้องพีเดี๋ยววุ่นกับลูกลูกคนโต เดี๋ยวก็วุ่นกับสามีเดี๋ยวก็วุ่นกับงานการวุ่นกับเงินทองเพราะไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วไม่วุ่นเฉยๆเป็นอะไรก็เป็นไปสิก็มันเป็นอย่างนี้แหละจะให้เป็นยังไงล่ะใช่ไหมนั่นะนี่คือปัญญาเนยใักเพื่อให้มีถ้ามีปัญญามันก็จะรักษาความนิ่งเฉยความสขขงใจได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ นะนั้นเวลาอยู่ออกจากสมาธิมาพิจารณาเลยรายงยศเสริญสุขที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่เที่ยงมีเจริญแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมร่างกายของทุกคนอยู่เหมือนกันเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมแก่เกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายพิจารณาเนี่ยเราจะได้ปล่อยวางจะได้ไม่ทุกข์ไม่กังวลกับใครที่ทุกข์ที่กังวลเพราะอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ไม่อยากให้เขาเกิดอุบัติเหตุไม่อยากให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ก็ห้ามไม่ได้ถึงเวลามันจะเกิดก็ต้องเกิดเนี่เข้าใจเลยนะโอเคน้องพีไม่มีคำถามเลยมีคําถาม้าเป้องพีไม่มีค่ะโอเคนะตังะ้งใจเรียนหนังสือนะชื่อฟังคุณครูเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะ เห้หลวงพ่อท่าแข็งแรงเจ้าค่ะจ้าสาธุอ่าท่านตอบกออภสยท่นดิคุณยายเดี๋มัสักการครับเลี๋ยวไม่ไง้งลอนนี้ไม่มีคำถามพาคุณยายเข้ามากราบพระอาจารย์ปกติครับก็เลอกกราบท่านด้วยนะคะคุณยายสมายดีนะ การจะอยู่แต่บ้านนะคะและ้วก็ไม่เครยียดไม่ทุกข์ไม่เหงาไม่อะไรนะเฉยไม่เล่นอะไรกับใคระารมีความสุขมีความสุขอยู่คนเดียวอ่าอ่านหนังสือแล้วก็อาพระท่านนะคะอะืคนเรานี่มีความสุขได้นะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยสุขที่สุดอิจายได้อยู่ตัวเองนั้นเลยก็ทํางานทั้งนั้นนะถ้ารู้จักทำใจให้นิ่งได้เพว่ามันอยู่คนเดียวแสนจะสบาย อยู่กับคนอื่นน่นจะลำคานเพราะคนอื่นมันไม่ฉกมันมันมุ่นต้องาำนู่นต้องทํานี่ยิ่ไม่ดีเราอยู่เฉยๆก็มาว่าเราอีกว่าอยู่เฉยๆทาไมเพราะมีความสุขก็จะให้ไปทําอะไรนะก็ยายละลึกถึงท่านอยู่เสมอนะคะกะกับนะคะโอเคนะพี่ยาย อย่างเขานะอยู่คนเดียววันกังวันลูกๆเข้าไปข้างนอกกันเราก็เราก็ทำใจให้นิ่งให้สงบแล้วเราจะมีความสุขขอบคุณค่ะอรครับอนโดดนนี้โตขึ้นเยอะเน้นดูกากลดูเหมือนเหมือนผู้ใหญ่นลเนี่ยกี่ขวบแล้วเนี่ยสงขึ้นอะไรครับอาจารย์กี่ขวบแล้วใช่ไหมอ่ากี่ขวบแล้ว สิบห้าครับเป็นนาย อ, อ, อยู่กับพระอาจารย์มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กชายตอนนี้เป็นนายแล้วครับอก็ยังรัดรื้อถึงท่านอยู่เสมอแต่ยังนัดรื้อถึงพระอาจารย์นะที่เป็นมนุษย์ปกติได้ยังจิตใจยังไม่เป็น อ, อ่ลงไปกว่ามนุษย์นี่ก็พระอาจารย์สอนคอยอบรมแล้วเป็นเทวดาได้ยังเออ่ตอนนี้น่าจะเฉียดฉีดคมแล้วมั้งครับอาจารย์ขนาดนั้นเลยเหรอไม่หุตรินะ เกือไม่ครับแต่แต่ไม่เป็นไรให้แบบยังเป็นคารวาสน่าจะไม่โดนมา <c oughs> แ ต, แ ต, แต่แต่ก็พูดเยอะไม่ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวนี้โดนกันเยอะของภายในใจเราอย่าไปบอกคนที่เขาไม่รู้เรื่องฝันฝันไปครับอาจารย์บางทีอาจจะฝันไปอาจจะมโนไปเองฮนะ ต้องการนมาสูตพระอาจารย์เรื่องเหล่นี้เป็นก็ไม่เป็นก็ให้รู้อยู่รู้อยู่กับเราก็พอสันติโกนะใครพูดให้คนฟังแล้วเขาอาจจะไม่เชื่อแล้วอาจจะหาว่าเราอุดต็มเลยโอ้อวดก็ได้อับพระาจารย์ก็ั่ละฮะเจอเจอบ่อยบางทีเพื่อนก็ถามว่าเออเรานั่งทำอะไรเฉยๆเราบอกเรานั่งสมาธิเ็บอกโอ้โม เขาไม่เชื่อว่าเรานั่งจริงๆใช่เพราะเขานั่งไม่ได้แล้วก็ะกี้ว่าถ้าเขานั่งไม่ได้เราอราจะนั่งได้ยังไงใช่ไหมครับอาจารย์เรื่องภายในใจนี้ถ้าไม่อยู่กับวงวงวงเดียวกันอย่าไปพูดนะคนนอกวงฟังวังไม่รู้เรื่องครับอาจารย์แต่บางทีอาจจะอาจจะคิดไปเองก็ได้ครับอาจารย์อาจจะ อาจจะเรายังอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้แต่ว่าเหมือนเราอาจจะมโนไปเองคิดไปเองครับอาจารย์อาจจะพูดเื่อแก้เขินมันโดนทักะก็เลยแก้เขินนั่นเอกิดเกิดไม่ใช่จริงๆขึ้นมาเหมือนพระจันทรย์ท้วงก็อก็ยุ่งอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยบอกไว้ก่อนว่าอาจจะอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเรามโนไปเอง้ก็ได้ถ้าเกินเทวดามันก็แสดงว่ามัน มันไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนะแจกหมดแล้วทําบุญไปหมดแล้วแล้วยังมีติดบ้างทรัพย์กระจายไม่ออกเฉดเฉียนจะไม่ถึง <laughs> แ, ลแล้วจะไปเป็นพรหมได้พรหมันไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องอาศัยไงิช่อความสุคนใช้สติไม่ต้องใช้สตงนะางนะถึงจะเป็นพมได้ครับผมอาจะรย์ <laughs> ยังใช้สตังอยู่จะไเป็นพมได้ไะอา่า นั่นสิครับอาจารย์ยังไปไม่ถึ ง, ง, งมไม่เฉียดยังยังเสจกา์อยู่ไหมฮะเสพรูปแสงกินล้นอยู่ไหมฮะยังต้องเสษอยู่ครับอาจารย์แล้วจะเป็นผมได้ไง <c oughs> โ, โมเโ น, นี่ <c oughs> ยอุตลิ่นอะเนี่ยยอมยอมกับพระอาจารย์ครับ <c oughs> กล้าหยอกกับครูบาอาจารย์ <c oughs> เย้เดี๋ยวเดี๋ย๋ยวโดนอด๋ยวโดนครูบาอาจารย์เครียงของใส่มายลัว <c oughs> ไมกาก็ไมกาอยู่กันแค่ในวงนี้แหละครับอาจารย์วงอื่นไม่กล้าไปเล่นแบบนี้แล้วกันก่อนจะพูดอะไรให้มีสติสตังคิดก่อนพูดน ะ, ะนตอนพูดเราเป็นนายของคําพูดพอเราพูดไปแล้วคําพูดจะเป็นนายของเราถนะ้า<ะ>เราพูดผิดมันมันก็จะจับเราไปลงโทษทันทีนีก่อนจะพูดให้ระมัดระวังอม อย่าไปพูดผิดพูดผิดดแล้วมันเราเราจะเป็นคนเสียเสียตัวเสียเสียคุณค่าในในตัวเราคือความเชื่อถือความเชื่อถือในตัวเราจะค่อยๆหมดไปพระเจ้าสอนพระราหุนว่ห้ามพูดอย่าพูดปลดพูดคำจริงแล้วก็ส่งยกตัดน้ำขึ้นมาขันหนึ่งแล้วก็พูดาลาหุนเวลาพูดชุด ถ้าพูดบทแต่ละครั้งนี้ก็เหมือนเทน้ํานจากไนขานี่ออกไปทีละนิดนี่ยน้ํา น, นี้ก็คือความน่าเชื่อถือของคุณเนี่ยแล้วก็ค่อยหมดไปจากการที่คุณประการพูดโกหกไปเรื่อยๆบางอย่างไม่มีใครเชื่อคุณเลยต้อง ร, องระวางนะคําพูดเนี่ยจะพูดอะไรคิดให้ดีเป็นความจริงเงี้ยไหม พูดเล่นไม่ได้นะในวงพัฒธนาหนธรรมะไม่มีการพูดเล่นน ะ, ะ, ะ, นะอากไป จ, ปจปันอยากขอใฝ่ไปจานอยากะปจันอากไปจันถ้าเกิดแข็งแรงครับปูเป้ พูด เ, ยเดยเสีงไม่มาแล้วต้องถอดสายออกเลยพระอาจารย์ได้ยินหนูไม่เจ้าขาพระอาจารย์ อ, อได้ยินนะค่ะตรงใส่จากอาหูฟังนะคะพระอาจารย์ต้องเอ า, เ อ, าออกคะอ่ะพระอาจารย์เจ้าขาของหนูก็ปฏิบัติเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ของหนูก็ได้อาจารย์หนูก็ลุยทุกก็คือผ่าตัดมาเยอะมากพระอาจารย์แล้วทีนี้คือ ตอนที่หนูผ่าซ่อมเส้นประสาทนี่แหละค่ะหนูอยากรู้ว่าหนูฟังธทำแล้วหนูจะคือหนูเป็นพยาบาลแล้วหนูชอบประเมินความปวดของผู้ป่วยอะค่ะพระอาจารย์เพนสกอร์ค่ะแล้วทีนี้ตอนหนูผ่ากระโหลกเนี่ยหนูปวดมากเลยนะคะพระอาจารย์หนูก็เลยเข้าไปอยู่ในสมาธิแล้วทีนี้พอมาผ่าตอนซ่อมเส้นประสาทเนี่แหละค่ะพระอาจารย์ พอฟังทำปฏิบัติทำแล้วอยากรู้ว่าเพนสะกร์เนี่ยหนูจะปรับร่างกายเยอะไหมเจ้าค่ะเพราะว่าเพราะว่าหนูอยากรู้ว่ากายกับใจใจสําคัญกว่ากายอะไรเงี้ยค่ะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมเจ้าคะ <c oughs> หนูก็อยากรู้ระดับความปวดนะคะพระอาจารย์ <c oughs> หนูก็เลยได้สัมผัสจริงๆตอนที่ผ่าเส้นประสาทเนี่ยแหละคะ่ะไม่ค่อยปวดพระอาจารย์หลังจากที่ฟังทำและปฏิบัติทำ ถี่หลังจากผ่าตะโหลกเนะะี่ยค่ะมาฟังทำจากพระอาจารย์ะค่ะพระอาจารย์เลยได้เห็นของดีตรงนี้นะค่ะว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเป็นแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นพยาบาลด้วยนะั่นเจ้าค่ะแล้วก็ประเมินความปวดด้วยแล้วก็มาประเมินตัวเองนะคะ่ะพระอาจารย์อเออโดยร่างกายปวดแต่ใจไม่ได้ไปปวดความปวดก็เลยหายไปครึ่งหนึ่งใช่เจ้าค่ะแล้วแล้วหมอก็ถามว่า เอายาแก้ปวดไหมหนูก็ไม่ได้ขอยาแก้ปวดเลยนะั่นเจ้าขาพระจางหนูก็เลยได้กลับบ้านจากโรงพยาบาลไวเลยเจ้าขาพระจารย์แล้วแล้วหนูเหมือนหนูดีใจหนูก็เลยรีบกลับไปตัก บ, บาทเลยเจ้าขาพระจารย์ก็เลยฟืน้นปวดเจ้าขาได้ฟื้นตัวเร็วด้วยค่ะพระจารย์อาใจไม่ทุกข์แล้วความเจ็บปวดองทางร่างกายมันก็ไม่ไรุนแลรง โอ้หนูหนูเลยแบบโอดีใจมากรารหนูแบบโอไม่เคยแบบได้สัมผัสแบบนี้เพราะว่าปกติหนูผากโลกเนี่ยเพราะว่ามันนอนเยอะจานแต่ไม่ได้ขอยานอนหลับนะคะแต่ตอนผ่าซ่อมใบหน้านี้หนูลองแบบเปิดตามันไม่ค่อยปวดนะคะพระอาจารย์ ก็เลยได้ดีใจได้ปฏิบัติทำต่อหลังพักกะโหลกอะค่ะพระอาจารย์กับพระอาจารย์ถ้ามีโมเบค่ะแล้วใจยังไม่ค่อยปวดใจยังไม่ทุกข์เจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยทําไปนะทุกข์ค่ะรักษาทำมาโอรสที่สุดที่สุดโอเป็นของดีระดับจักรวาลเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องปฏิบัติถึงสัมผัสได้เองจริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ เจ้าขาขอาจารย์สาธุดเลยต่อที่อาจารย์ทนไม่ได้กทดธมอคุณนันทโกวนเตอรม่ดูค่ะกลบนวัตการมพระอาจารย์ค่ะน่ารัค่ะกลบนวัตกรรพระอาจารย์ครับเออเป็นยังไงบสบายดีครับพระอาจารย์นะพระอาจารย์สบายดีนะคะก็เหมือนเดิมไม่ขึ้นไม่ลงเท่าเดิม น้ำเต็ดแก้วแล้วจะเติมไปมันก็ร้อนมันก็เท่าเดอืมแล้วมันก็ไม่พองมันไม่มีวิมัรายการเยอะเลยนะฮะก็เหมือนเดิมอะก็เพียงแต่ว่ามันมีมันหยุดช่วงมันหยุดติดกันเยอะหน่อยก็เลยพูดธรรมะมากหน่อยก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาใช่ค่ะดีๆทุกอันเลยค่ะเนี่ยที่ฟังอยู่ค่ะก็ไม่ใช้ได้ในชีวิต ประจำวันนะคะของผู้ส่งไวปฏิบัตินําไปใช้กันอยูอะค่ะอผู้ส่งไวสัญญาจะถูกปล่อยทิ้งไว้ให้อยู่บ้านเาลูกๆห ล, ล, ล, ลานก็ต้องออกไปทํามาหากินกันถ้าอยู่คนเดียวไม่เป็นก็จะเศร้ายังเหงอแต่ถ้าฝึกจิตทําใจให้สง บ, บเป็นแล้วก็สบายอค่ะอยู่คนเดียวเงียบๆสบายดีค่ะอืมอยู่สองคนเงียบๆก็สบายดีค่ะ ก็ดีเนอยังอยู่กันสองคนอยู่ค่ะอะอยู่กันอีกคนก็เราก็ต้องสบายเสมอไม่ไว่าอไม่ใช่เวลาอยู่หลายคนนี่ก็มีความดีใจพอหายไปเหลือคนนี้ก็รู้สึกเหงาหไม่ได้มันต้องสบายมันต้องดีใจตลอดเวลาบางทีก็บอกอยู่คนเดียวค่ะ ท, ท, ที่ขับรถออกไปคนเดียวเราก็มีความรู้สึกว่าอืม การอยู่คนเดียวเนี่ยทําอะไรเดูยเดียวเนี่ยมีความสงบมากสบายไม่ต้องไม่ต้องกังวลกับคนอื่นไม่ใช่ค่ะค่ะสบายที่สุดค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะได้ไปตักตั้งใจอยากจะไปตักบาด้วยค่ะเราก็ไปที่ที่าลาดด้วยสัปดาห์หน้าคงได้ไปค่ะเจอนะโอเคกให้สุขกายสบายใจนะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับสาธุค่ะ จะรับพรค่ะโอเคที่โกเบคุนชุกจุกโกเบนะคะนยัเป็นทดสอบความกลวกัวเข้าปะอ๋ออะไรนะเจ้าคะ่ะไปทดสอบความกลวกัวเข้าปะอ๋อหนูยังไม่ได้ไปเลยเจ้าค่ะคระอาจารย์วันนี้ตอนแรกจะเข้าไปก็ก็มันมันก็บ่ายสองบ่ายสามแล้วหนูก็แค่เดินผ่านแล้วก็ไปเข้าที่สวนป่าแทนค่ะพระอาจารย์ พอดีแถวบ้านมันจะจะมีป่าแล้วก็มีสวนป่าสวนป่านี่ก็จะเป็นเหมือนกับ เ, เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นส่วนที่ที่ให้ที่เขาเปิดให้ให้คนทั่วไปที่เข้าเข้าไปเข้าไปนีเข้าไปได้มันก็กว้างอะคะออ่ะพระอาจารย์อ่าพระอาจารย์คะพอดีหนูมีคําถามค่ะแต่เป็นคําถามที่มาจากเพื่อนหนูนะคะเข้ามาถามหนู่ะค่ะว่าเ อ, อเขาเาถามหนูแล้วหนูตอบเขาไปว่าไม่รู้ ไม่รู้จริงๆค่ะมันหัวมันไม่มีไม่มีอะไรไปตอบเขาได้เลยก็คือเขาถามมาว่าความจริงในสมมุติกับความจริงในสัจจะคืออะไรค่ะอาจารย์ขอพระเมตตาพระอาจารย์ช่วยตอบได้ไหมเจ้าคะตอบไม่ได้แล้วใช้ภาษาที่เราไม่เข้าใจหนูก็ไม่เข้าใจครับถามก็ถามเขาเลยคราบว่าสมมุติแปลว่าอะไรแล้วสัจจะแปลว่าอะไร่ ถ้ามันไม่เข้าใจสองคำถามสองคำนี้ไปตอบมันก็ตอบผิด ต, ตอบถูกนหนูก็หนูก็ถามกลับเข้าไปนะคะว่าถ้าไม่ใช่คําถามยากจังสมมุติกับวิมุติหรือเปล่าเขาก็ไม่ใช่ไม่ใช่สมมุติกับสัจจะหนูก็อะไรตัวใหญ่ <uns> สมมุติก็เอามาสมมุติแปลทั่วไปก็คือเป็นของของของเล่นละครกันเราสมมตินึงแล้วเวลาเราเล่นละครเราสมมุติว่าคุณเป็นคุณเป็นนายตํารวจนะวันนี้เป็น อ่าพ่อค้านะวันนี้เป็นแม่ค้านะอันนี้สมมติใช่ไหมไม่ใช่ของจริงในชะ่ไหมอ่า huh. โกสมมุติก็าก็ว่าเราเนี้ยที่พวกเราเราอยู่กันในทุกวันนี้ก็เป็นเป็นสมมุตินะไม่ใช่เป็นของจริงอย่างแบบพอเราเกิดมาเขาก็ให้สมมุติแล้วตั้งชื่อเรานามสกุลนะเราใช่อ่ะครอบครัวนี้มีนามสกุลอะไรเขาก็ใช้นามสกุล น, นั้นสมมุติขึ้นมาแนละ้วแล้วก็มี เขากลัวมีฐานะอะไรก็ก็ตามสมมุติที่เขาเป็นไปอันนี้ก็เป็นสมมุติไม่ใช่ของจริงนั่นเราของจริงก็คือแค่อาการสาหสทีสองดินน้ําลมไฟเนี่ยของจริงไงใช่ไหมแต่เราไม่มองร่างกายว่าเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการสาหัสที่สองเราบอกว่าคนนี้ชื่อจุ๊บคนนี้ชื่อแจงคนนั้นในดําในแดงอันนี้สมมติทั้งนั้นอ่ะเข้าใจไ ความจริงก็คือสัจธรรมก็คือเนี่ยการเห็นว่าร่างกายนี้เป็นธาตุสีนี้น้ำลมไฟเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคือความจริงเ ข, ข้าใจอย่างผู้นี้เข้าใจจ้าค่ะพระอาจารย์เราไปเราไปลองสมมติกันลองสมมติว่าเราเป็นเราเป็นหญิงเราเป็นชายเรามีมีปริญญาเรามีสูงต่ำสูงกว่าคนนี้ต่ำกว่าคนนี้อะไรรวยกว่คนนั่นด้วยกว่คนนี้ อันนี้นเป็นสมมติทั้งนั้นแหละของจริงก็คือเราเป็นแค่ดินน้ำลมไฟร่างกายของเราเป็นแค่ดินน้นลมไฟส่วนน้ำก็คือท่านรู้เป็นผู้จะมาใช้ร่างกายทําะไรต่างๆเดี๋ยวพอร่างกายตายไปเราก็ยะเราก็ทิ้งโลกนี้ไปทิ้งโลกสมมุตินี้ไปแล้วก็ไปหาโลกใหม่ไปสมมุติใหม่ไปเล่นละครลงใหม่ต่อร่างกายมันเป็นตัวละครเนี่ย เราได้ร่างกายมาก็เหมือนกับผู้กำกับเขาวบอกร่างกายนี้อ้าต่อไปนี้คุณเล่นบท น, นี้นะ <c oughs> คุณต้องชื่อจุ๊บคุณต้องเป็นผู้หญิงะคุณต้องอะไรก็ว่าไปแล้วก็เล่นไปจกกนกระทั่งคุณแก่เจ็บตายพอเจ็บตายเขาก็เอาตัวคุณเข้าโหงจบ <c oughs> แต่คนมาเล่นคนที่สวมหัวขนไม่ได้ตายเหมือนกันตัวหัวขอนเนี่ยคนเล่นก็เกิดใจก็ไ ป, ไ ป, ไปหาปหาละครลงใหม่เล่นต่อ ก็เปลี่ยนเปลี่นนองละครมาเป็นธุรกิจแสนล้านนองแล้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะไม่เห็นสมมุตินั่นเพราะก็ไม่เห็นความจริงว่าโลกที่เราอยู่นี่เป็นโลกสมมุติเป็นโลกแห่งความทุกข์หยุดจะมาเกิดแล้วเราก็จะถือว่าเราเลิกเล่นเล่นละครเงิ น, นทันทีอนนี้ยังเล่นละครเงินอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนลงไปเรื่อยๆตายจากรงนี้ก็ไปไปเกิดลงใหม่ ไปเล่นลงใหม่ผู้กำกับก็เกิดบุญลำบากมันอยากกำกับให้เราแสดงบทไห้ดีถ้าถ้าบากก็จะให้เราเล่นบทโหดๆหน่อยโหดทุกยากลําบากก็ถ้าเป็นบุญกำกับก็บุญก็อยให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายเล่นบทเอเล่นบทรวยบทใหญ่โตแล้วแต่บุญตลาดเว่าเรา เราเล่นกันเราเล่นไปเราก็ทำบุญทำบาปไปด้วยในขณะเดียวกันรังใจเหรอาจารย์ค่ะส่วนกนรารถ้าเราอยากจะเลิกเ ล, กเล่นก็นเราต้องหาเหตุเหตุอะไรที่เทำมาให้เรามาเล่นกันถ้าไม่มีพระเจ้าเราก็ไม่รู้ว่าเหตุที่พาให้เรามาเล่นลครนั่นก็คือตั้นหาความอยากออยากอยากเสพรูปเสียงกินลดอยากเล่นอยากได้ร่ำลดสารเสรตญสโส ก, กัน พาให้เรามาเกิดกันก็ตัดตัวนี้ให้ได้ด้วยการไปบวชบวชก็จะตัดการะสบความอยากได้อย่างความอยากเสพกามไ ด, ด, ด้เสพรูปเสพกลิ่นรสเสเพราบีรสเสริมเสริมได้ก็ไว้นอกกรรมมาเกิดไม่นำมาเน่นลครต่อไปอาจารย์คะอาทิตย์ที่แล้วหนูกลับขอพระคุณพระอาจารย์มากมเลยนะเจ้าค่ะที่ สอนสอน ส, สั่งในเรื mm ่องของการปฏิบัติการพิจารณากายเจ้าค่ะที่พระอาจารย์ให้อท่านกัลยาณมิตรคุณมาลีอ่พิจารณาการกายให้พิจารณากายว่าท่านท่านเขาท่าคุณเขาทํำยังไงหนูฟังแล้วหนูก็เอาไปปฏิบัติตามค่ะพระอาจารย์แต่มันไม่คือหนูเข้าใจนะคะเพราะถ้าสมมติเราได้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆจน จนติดเป็นนิสัยจนมันซึมเข้าไปในหัวใจเรามันจะทําให้ลดสักกายพิธีได้ง่ายใช่ไหมจ๊ะค่ะอาจารย์ได้นั่นไม่ใช่ตัวเราค่ะแต่ว่าหนูคือวันนั้นน่ะหนูหนูหนูเห็นตัวเองมีกิเลสคือกิเลสอยากทําได้อย่างเขามั่งอันนี้ไม่ใช่กิเลสะอย่ยเขาเรียกเป็นธรรมเป็นฉันทาวิริยะเป็นธรรมความอยากจะเห็นความจริงนี่เป็นไม่ใช่เป็นกิเลสจำได้ว่าออกจากซูมเสร็จปุ๊บเนี่ยหนูก็ไปหนูก็นั่งสมาธิแล้วก็ปนั่งสมาธิแล้วก็ ออกจากสมาธิแล้วก็พิจารณาแบบที่ที่ท่านคุ ณ, คณมาลีเขาเขาทำนั<ม>่นเจ้าคะเพราะพอออกพิจารณาไปแล้วมันอึดอัดมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก<พ>ิเลสมันยังกเลมันมีกําลังมากกว่า<ห>จิตเรายังไม่อเบรขาน้อยไปยังพิจารณาไม่ได้คืออัดมากแบบเฮ้ยทําไมเราต้องมานั่งแบบไล่เป็นไล่อย่างนี้อย่างนี้<อ>แล้วมันกิเลสมันไม่ยอมมันไม่ยอมเอาพิจารณาค่ะแล้วแล้วพอออกจาก การาพิจารณาปุ๊บเนี่ยคือคืนนั้นหนูนอนไม่หลับเลยค่ะว่าอาจจะอันดีอีกเป็นหยุดปีใหม่หนูก็เลยหนูก็เลยแบบก็ไม่ต้อ ง, องสร้างไปเลยสร้างไปเลยคือมันมันเครียดเลยนะคะว่าะจะเครียดแสดงว่าสมาธิยังมีกําลังน้อยไม่สามารถจะสนับสนุนการเจริญปัญญาได้ก็อย่างเพิ่งใบพิจารณากลับมาฝึกสตินั่งสมาธิก่อน<ต>ไมมีอุเบกขาเยอยๆกัน พระอาจารย์คะหนูหนูแต่หนูหนูก็ลองพิจารณาอย่างอื่นแทนหนูพิจารณาก็คือซากศพอะค่ะพระอาจารย์ศพงตายตายแล้วก็เริ่มเริ่มแบบเริ่มแข็งเริ่มเหลืองเริ่มเน่าเริ่มเขียวแล้วก็เริ่มอืดเริ่มพองน้ําเหลืองไหลหนัง<ม>แตกอะไรเงี้ยไปจนถึงกลายเป็นขี้เถ้าลมพัดปิวแล้วก็กลับมาย้อนใหม่เป็นพ่อกับอาสิบจีของพ่อกับแม่รวมกันแล้วก็กลาย แล้วก็เป็นตัว MBO แล้วก็ไล่ไล่มาเป็นคนแล้วก็คืออย่างเงี้ยหนูหนูหนไล่ได้สบายเลยนะคะพระอาจารย์ก็ดีก็ใช้ยากกันเห็นว่าแค่เป็นแค่ดินน้ำลมไฟมาเพผสมปรุงแต่งให้เป็นอาการสารที่สองขึ้นมาคือเราหนูพิจารณาอย่างนี้แทนแบบที่คุณมารีใช้อย่างนั้นได้ไ้ยเจ้าค่ะได้ได้แล้ แ, ลแต่ความถนัดของแต่ละคนจริตของหนูถ้าทำอย่างนี้แนละ้วมันมันเบาวกว่าคะ่ะแต่ นี่คือมันหนักเอื้องเลยกขอให้เราาเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราก็แล้วกันเราไม่ได้เป็นมันเราเป็นเพลงแต่ผู้มามาใช้มันเจ้าค่ะเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นเหมือนคนขับรถเนยเจ้าค่ะอืมเราไม่ต้องไปจะไปวิตกไปทุกข์กับมันไม่ต้องไปยึดไปติดกับมันมันจะแก่จะเจ็บจะตายันก็ถ้าช่วยมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปเจ้าค่ะถ้าช่วยได้ก็ช่วยไป ปัญหาคือพิจารณาเห็นว่ามันไม่เราอย่าไปทุกข์กับมันที่ทุกข์เพราะเราเป็นหลงเชื่อเราเป็นมันเอามันพอเราเชื่อเป็นมันแล้ก็ไม่ใหญ่ให้มันแก่เจ็บตายแล้วค่ะก็เดี๋ยวจัดไปพิจารณาไปเรื่อยๆเจา้าค่ะพระอาจารย์ที่ให้เห็นว่าเป็นหน้าตาเป็นเในน้านมไฟอันอนั้นนิจกรรไม่ที่ยังเกิดแล้วต้องแก่เจ็บตายถ้าไปยึดว่าเป็นตัวเราเร า, เราใจก็จะทุกข์ ว่ามันเป็นนามเราก็จะไม่อยากให้มันแก่เจ็บตายความไม่อยากนี้ก็เป็นตันหาในอริยสัจสี่เข<ร>้าใ <Okay. S 1> okay, จไหมเข้าใจเจ้าค่ะอ่าเรต้องมีจุดหมายว่าพิจารณาเพื่ออะไรพิจารณาเพื่อรับความอยากรับการยึดติดและความหลงที่ไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราเจ<ร>้าค่ะเพื่อเราจะได้ปล่อยมันให้มันแก่เจ็บตายไปไม่ต้องไปกังวลกับมัน พระอาจารย์คะหนูยังมีความสงสัยเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่เขาบอกว่าอพระโสดาบันเนี่ยก็คือรักษละสกยะที่ถีได้แต่ทําไมพระโสดาบันยังยังเหมือนหนูเคยได้ยินที่ไหนมะพวกยังยังโลภอยู่ยังอยากรวยอยู่ยังยังชอบเสริมสวยอยู่ทําไมมันเป็นแบบนั้นาเจ้าค่ะก็ยังอยากเสพกามอยู่เลยนีย่ไม่ได้รักกามัตนะ เมื่ออยากจะเสกการก็ต้องมีเงินเที่ยวมันกินเงินเดือนเลยอย่งอยากมีแฟนเนี่างมีมีมีพ่วปู่มีสามีอยู่ต้องเห็นเห็นอสุภะของร่างกายของคนที่เราอยากเห็นว่ากรรมที่เราเสเนี่มันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นของชั่วข่าวเวลาไปเที่ยวก็มีความสุขพอกลับมาบ้านความสุขนั้นก็หายไปวางให้เราเหงาเศร้าส้อยเหมือนเมือนกับไมไม่เคยไป็น มันก็ไม่เคยมีความสมอมงก่อนธรรมจารนาให้เห็นโทษของกรรมคุณโทษให้เห็นนัสผะในร่างกายต้อจะได้การความหยุดความอยากที่จะเสพกามต่อไปอันนี้เราใช้ใช้อสุภาษองมองให้เห็นซาบสมทุกครั้งเวลาที่เราอยากจะมีแฟนต้องมองเห็นต้องมองร่างกายของแฟนนั่นกายเป็นซาบสมไป ่เราพิจารณาลราพิจารณาแต่ร่างกายของเราอย่างเดียวใช่ไมเราจะไม่พิจารณาของคนอื่นเราพิจารณาร่างกายของคนที่เราอยากใช่ไหมเอามาเป็นแฟนะยังไม่ครบบริบูรณ์ยังพิจารณาร่างกายไม่ครบถ้วนพิจารณาแตส่วนของเราไม่พิจารณาของของคนที่เราจะมาเป็นแฟนถ้าพิจารณาแล้วเด็เาเกิดต้องตายไปก็ทิ้งให้เราเหงาอยู่ดีใช่ไหมแต่งงานกระสามันต้อตายไปเป็น รก็คือให้รู้ว่าการเสพกามมันเป็นของไม่เที่ยมแล้ไม่เที่ยมมันจะทำให้เราทุกข์อันนี้ถึงจะถึงจะตัดตัดกามอยากจะเสพกามได้แล้วก็จะตัดเรื่องของร่างกายไปหมดเลยที้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับร่างกายในใ น, ในรูปแบบไหนเลยร่างกายของตัวเองก็ก็ไม่ทุกข์กับมันมนันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ทุกข์ ร่างกายของคนอื่นก็ไม่มีความอยากจะให้เข้ามาเป็นแฟนเราค่ะได้ความรู้เยอะเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับโอเคเอาใจนะค่ะหนูจะห น, นูต้องลองพิจารณร่างกายของคนอื่นเห็นไหมเป็นซากศพอะไรนีเ่เห็นใครก็บอกว่าเนี่ยเอาซากศพมาเป็นแฟนหรอืเอเปล่าพออยู่ด้ายใจว่าเนี่คุณจะเก็บไว้ในบ้านนะมถ้าก็อยู่ท้ายใจค่ะ มีผ่าผ่าศพดูก็ได้ผ่าร่างกายก็ได้ว่าข้งางในมันสวยงามมันมีมีส่วนไหนที่สวยงามมนี่จำแด้แค่จ๊ดดี้เขาท่องให้เราฟังไม่มองกันใช่ไหมไม่เห็นเลยใช่ไหมเห็นไม่เห็นเห็นเนีเ่ยยังมีความอยากอยู่อ่ะหนูหนูไม่มีความอยากจ้าค่ะพระอาจารย์หนูกับ น, นี่คือไม่มีอะไรเล่น อ, อย่างนี้กันมาสิบกว่าปีแล้วค่ะพระอาจารย์อืม ดีค่ะเราอยู่กันเหมือนเป็นรูมเมทค่ะพระอาจารย์อ่าแต่เรายัางเสิร์ฟเสียงยินร้ออย่างอยากเสิร์ฟเสียงยินร้อนอยู่ยังอยากไปเที่ยวอยู่อยากไปเที่ยวอยู่อยากกับไทยค่ะพระอาจารย์อยากไปวัดอยากย <c oughs> สวยๆ ง, งามๆอะไรอย่างเงี้ยมั้ยอยากชอปปิ้งอยากจะซือ้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าเสือ้ออะไรบ้าไม่เราจะค่ะพระอาจารย์ตอนนี้หนู หนูรู้สึว่ามันพอทุกอย่างแล้วเสื้อผ้าก็ใส่เหมือนเดิมทุกวันก็ไม่ได้อยากซื้อซื้อใหม่ได้ก็คิดอยู่ว่าจะเอาของที่เราเคยมีเคยแบบเคยแบบพยายามหาเงินเพื่อซื้อมาเนี่ยจะเอาไปขายอยู่คะ่ะพระอาจารย์นี่เราก็ต้องถือสินแบกได้อย่างสบายเนี่ยหนูหนูพรรษาที่ผ่านมาหนูถือสินแบกสามเดือนเลยนะจ๊ะค่ะพระอาจารย์อ่าไม่ถือทั้งปีไปเลยเมื่อไม่เสด็จการแล้วมีนบัตหาก็นไนใหญ่นี่รักษาไม่ได้ ก็คือมีปัญหาเรื่องอาหารค่ะพรอาจารย์กับก า, า, ารพระอาจารย์เพราะว่าการทํางานหนูต้องเจอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเจาาาา้าค่ะพระอาจารย์บางทีก็ต้องแต่งหน้าแต่งเลิ้นก็ค่ะพรอาจารย์ถ้าทําถ้าทําด้วยความจําเป็นไม่ได้เป็นความอยากก็ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบไปซื้อใหม่นะคะาพรอาจารย์พวกพวกเค่งแต่งหน้าะอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็คือพยายามที่ที่มีที่สต็อกไว้อะให้มันาพะอาจารย์ เรื่องดูหนังฟังเพลงเรียข้อเจนนี้ไม่ไม่เป็นปัญหาเลยไม่มีความอยากหนูไม่ได้หนูสามตั้งแต่หนูมาเข้าซูมกับพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์หนูดูซีรีส์หรือดูอะไรอย่างนี้เลยค่ะมีค่ะตราครั้งนั้นเองค่ะที่ไปดูซีรีส์ที่เกี่ยวกับพระาศาสนาเรื่องอนะไรน่าเรื่องอะไรสาธุอะไรอย่างเงี้ยคะพระอาจารย์ ถ, ยถ้าเป็นถ้าเป็นธรรมะก็ไม่เป็นไรดูได้แต่ท่านดูละครดูหนังเอให้เพื่อเกิดความเพลิดเพลิน ไม่ควรอย่าเดียวไม่ให้ความสุขปล่าไม่ใความสุขชั่วคราวค่ะส่วนเรื่องของการฟังเพลงพระอาจารย์คะถ้าอย่างหนูฟังฟังเพลงที่เป็นแบบคลาสสิกอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมจ้ะคะไม่ได้ <c oughs> ก็มันก็เป็นเสียงเพลงมันก็ให้เราความให้ความสุขกับเราบางทีหนูก็แบบเอออยากอยากได้แบบมันอ่ามันต้องต่ดเหมือนการน้องําทําเพลงการเสียงดูเสียงจินรถทุกมุมแบบนอกจากว่าถ้ามันจําเป็นเช่นไปทำงานต้องแต่ง ต้องใส่เครื่องแบบนั่นก็ถือว่าเป็นการเล่นละครนั่นเองแล้วเนี่ยทาเพราะความอยากให้คนไนียก็เห็นว่าเราสวยเรางานนะจริงข้อสามก็ไม่มีละ ไ, ไ, ไม่รักษาได้นะไม่ไม่ร่วมกับนางกับแฟนแล้วไม่มีหละค่ะออตนนี้ก็จริงก็เขาก็กินชาสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้แล้วเราเเราหยุดทํางานตอนเที่ยงแล้วเราก็ แล้วกินตอนเที่ยงไม่กินหลังบ่ายโมงไปก็ได้เงื่อนไปช่วโงนึ่งก็ได้หมดทุกคนที่ญี่ปุ่นเขนอนกับพื้นอยู่แล้วไม่ใช่บ้านญี่ปุ่นอุ้งอ้วนปวนเมื่อยอาจารย์แต่สามีหนูนอนเตียงค่ะอยู่ตรงข้าแล้วไม่นอนกัเขก็ได้แต่หนจะนอนกับพื้นค่ะก็หนูนอนกับพื้นมาตลอดแล้วค่ะอาจารย์เพราะหนูรู้สึกว่านอนเตียงแล้วแบบมันมันนุ่มเกินแล้วมันก็ปวดหลังนัหนูก็ชอบนอน ตอนนี้ก็คือนอนแยกกันแต่ห้องเดียวกันนะคะ <Okay. S 2> หนูครับแสดงว่าลกากามไปได้เยอะแล้วนะี่ะและ้วสิบปีครับะอาจารย์แล้วก็ไม่มีปัญหาครับะอาจารย์เพราะว่าหนูหนูกับสามีหนูนี่ก็คือหนูนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะสามีหนูนับถือศาสนาคริสต์ครพะอาจารย์แล้วเขากับคริสต์แบบเคร่งอยู่เหมือนกันนะสักครัพระอาจารย์เป็นเหมือนเป็นคาเทลิกไม่เป็นอะไรคาเทลิกค่ะพระอาจารย์อืคาเทลิกอืมแล้วเขาก็แบบ ไปทุกวันอาทิตย์เขาก็เขาเห็นหนูนั่งสมาธิแล้วเขาก็นั่งว่างคะ่ะพระเจ้าอ่าก็ดีก็ดต<อ>ตีตอนที่ก็หนูก็สามารถควบคุมตามมารมาได้ค่ะก็ไม่มีเรื่องเรื่องอย่างไม่มีเลยอ่าแล้วมีปัญหาอะไรไหมตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหามีปัญหาเรื่องที่ว่าที่เมื่อกี้ค่ะที่ว่า ถ้าให้หนูพิจารณาแบบคุณมาลีหนูทำไม่ได้แต่ถ้าพิจารณาอย่าง น, น, นี้หนูทำได้สบายๆอลอย่างนี้นจะส่วนเรื่องอื่นนี่ก็หนูจะพยายามใช้เวลาที่มีพระอาจารย์อยู่ในชีวิตหนูให้ให้มีคุณค่ามากที่สุดค่ะพระอาจารย์ตั้งใจค่ะพระอาจารย์พยายามละรูปเสียงกลิ่นรสให้ได้หมดไม่อย่าไม่ไปเสพมันเครื่องเดือนอะไก็ไม่ต้องไปเดินเดินแต่หน้าเปล่าเด มาฟงกาแฟน้ำชงน้าชาแล้วเริ่มเงินด้ยวยแลเดี๋ยวนี่คำอาอ๋อใช่ค่ะขนานั้ น, ลนแลยใช่ะอาจารย์อ้าวถ้าไม่อยากจะกลรมาเกิดก็ต้องตันหมดแนะต่เังติดน้าชาอยู่เนี่ยก็ต้องกลับมาเกิดมาเดี๋น้าชาต่อเขานะเจ้าค่ะจะยายามเจ้าค่ะอาจารย์เดี๋ยน้ำเปล่าไปเลยน้นําปลาที่มันจาเป็นเดื่อพนังานไม่ได้ดือดเพื่อกิเลส ไม่ได้เดืดเพราะองการยาแต่ถ้าเดือดด้วยสีกลิ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของกามของของการ ม, มาตันหาของนิเกิเลเอยังอยากสัมผัสกับกิ่นรสของกาแฟาที่ญี่ปุ่นก็ดันมีพวกน้ำพวกน้ำอย่างนี้วางขายเยอะสุด้วยเจ้าค่ะก็แน่นอนคนชอบเสพ ก, กาม่นว่ามันขายได้เยอะไ แต่ถ้าเราจะเลิกเศษกรรมแล้วไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกไม่ต้องอยากจะมีร่างกายเราก็ต้องอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสษความสุขเพราะร่างกายมีตาหูจมูกเล่นกา ย, เ, ย, เ, ยกเสียงรู้เสียงกินรสอะไยังติดเรียบเสียงกินรสอยู่เราก็ต้องกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยาเราเลิกเศษได้ทุกครั้งที่เราอยากจะมีความสุขเรากนั่งสมาธิแทนหาความสุขจากการทําใจให้สงบแทน เราไปล้วก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเราไม่จะไปเกิดเป็นพรมได้ความสุขของสมาธิหนูหนูเข้าใจมากเลยเจ้าคะเพราะว่าเมื่อก่อนหนูก่อนที่จะมาม า, มาศาึกษาพุทธศาสนาหนูก็แบบเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็การออกกำลังกายมันก็มีมันมีมีสารอะไรที่ให้ความสุขใช่ไหมเจ้าคะแล้ว มันทำให้เราติดออกกำลังกายแต่พอหนูมามาอยู่มามานั่งสมาธิอะหนูเข้าใจเลยว่าความสุขของสมาธิอะมันมันสุขมันดีกว่า<ข>มันดีกว่าค่ะสารที่ได้จากการออกกำลังกายมากเลยใช่เมื่อก่อนเราไม่รู้ไงเราก็คิดว่าการออกกำลังกายนี่ดีคนในโ่กนี้ส่วนใหญ่ก็สายการวิ่งการออกกาลังกายเพื่อให้ความสุขเขาค่ะเจ้าค่ะสมาธิ น, นี่แบบ สุกมากกว่าจ ร, จริงๆเ จ, จ, จ้าค่ะพระอาจารย์สุดยอดของ <ใน S 2> ความสุขก็คือสมาธินี่แหละเป็นแต่ลองจากพันธิพานนะนี่สมาธิเป็นความสุขชั่วคราวถ้าเป็นพันธิพานก็นสุขแบบถาวรเลยค่ะโอเคนะเขะ้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วมากขึ้นตัดตัดรูปเสียงกลิ่นรส น, นะอย่าไปเสมีมัน อ, อย่าไปเสีด้วยความอยากแต่ถ้าเสียเพราะมัน อัท่านัราเดินผ่านไปใครใครก็เปิดเพลงฟังแล้วก็ฟังไปก็ได้ไม่ได้เป็นความอยากของเราไม่ใช่ว่าพอได้ยินเสียงเพลงก็โอดพูดต้องโอดหูไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจไหมฟังได้แต่อย่าไปอย่าไปยินดีกับมันอย่าไปติดมันเข้าใจไหมอย่าไปคิดอยากะอย่าไปอยู่ดีๆอย่าไปนั่งเฉยๆอยากจะเปิดเพลงฟังนี้ไม่ได้เป็นเป็นความอยากนะ แต่ท่านเดินเดินไปแล้วมีคนข้างบ้านแล้วใครเขาเปิดเพลงเราได้ยินฟังแล้วก็ฟังไปก็ได้อย่างพ่อเร า, เราบินธบาร์ตอนเชา้าบางทีก็มีคนเปิดเพลงแล้วก็ฟังไปัะนเอย่ง้อาจารย์แล้วพระอาจารย์เคยไหมคะที่บอกว่าพอมีเพลงเข้ามาเนี่ยแล้วพอเราอยู่คนเดียวเพลงมันก็วนอยู่ในหูอย่างนั้นนะคะหนูเป็นเจ้าค่ะพระอาจารย์เคยไหมก็ถ้าเราไม่มีสติมันก็มันก็มัน ก, มนก็มันก็ปรุงแต่งเสียงเพลงนั่นเลยถ้ามีสติมันก็ไม่มีมันก็ว่างแใจก็จะว่าง ถ้ามีสติมันกควบคุมความคิดปรุงแต่งได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เอาไปปฏิบัติจะค่ะก็ลองหยุดลองหยุดมันดูใช้พูดโทรก็มันดับมันแทนลยมันคิดถึงเสียงเพลงให้มันคิดถึงพูดโทรแทนนะขอบคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์มีธาตุขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะสาธุไปที่คุณสาธารณชาญนาเชิญพระอจ้ารย์เราฟังค่ะพระอาจารย์คับ เป็นไงธรรมะกนณีดีไหมคะธรรมะกนณีเป็นยังไงบ้างลูกชอบลูกชอบฟังแต่ฟังแต่ละคนเราก็จะได้เรียนรู้ค่ะพระอาจารย์ดีนะค่ะไม่ไม่เป็นการเสียเวลานะไม่ไม่โอเคค่ะปฏิบัติอ่าก็ไล่เป็นคิวไปเนี่ยอ่าแล้วก็ใครมีเรื่องอะไรก็พูดไปตามนี้ของเขานะค่ะค่ะอันี้ธรรมะจัดสันทร์นะ สนุกดีค่ะพอาจารย์โอเคอ่าไปที่คุณทันนี่มีเรื่องอะไรไหมคุณทันนี่แค่ะคนก็มีเรื่องไม่เหมือนกันนะค่ะนามสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีเรื่องอะไรไม่มีคําถามค่ะฟังจากที่พระอาจารย์สนทนาธรรมกับกัลยามิตรก็ได้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจแจม่มแจง้งจากเดิมที่มีอยู่ก็ทําให้มีมากขึ้นเข้าไปแล้วก็ได้ความสงบด้วยค่ะใช่ การฟังธรรมถ้าใครฟังซาบิบ่อยๆมันจะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับค่ะพระอาจารย์กลับสัตว์ทุกข์ค่ะไปที่คุณลูกตาคุณแม่วันนี้พาคุณแม่มาด้วยเหรอ ม, มาสักการของพระอาจารย์วันนี้พาคุณแม่มากลับพระอาจารย์ด้วยค่ะอแม่ก็แม่สบายไหมสงบไห ม, มนะคะสงบค่ะไม่เคียมไม่ทุกข์กับอะไรนะค่ะคือที่แรกอะส หนูว่าพาหนูต้องฟังจากท่านดรวีก่อนนะคะตอนโควิดนะคะช่วงโควิดแล้วก็พอหมดโควิดก็ไปไปที่วัดไปหาพระอาจารย์ค่ะเทปรีรันของพระอาจารย์จากธรรมะบนเด็กตอนนี้มาติดธรรมะเลยค่ะแล้วก็มาพาเข้าไปอะค่ะอพาลูกตารไปแล้วตอนนี้ก็เลยตั้งใจว่าถ้าเป็นวันพระที่ไม่ตรงกับเสาร์ทิตย์อะเราจะไปกันทุกวันพระอะค่ะ เออใังไงทำหน้าที่วันพักเป็นวันทําธรรมนะค่ะแล้วก็ในวันพักก็หนูจะถือศีลแปดค่ะอืมอนี้มันไม่ทำไม่ได้ถือเลยในชะ่ก็ถือบ้างเวลาที่ไปอยู่ปฏิบัติธรรมแต่ว่าที่ผ่านมาที่หนูไปปฏิบัติธรรมอ่ะหนูไม่เข้าใจเลยอืมเออไปําอะไรใไหมค่ะจนหนูไาเจอพระอาจารย์เนี่ยค่ะอืมปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ได้เอา สิ่งที่พระอาจารย์สอนขั้นตอนในการปฏิบัติที่เวลามีคนสงสัยแล้วถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ปฏิบัติยังไงใช่ไหมคะแล้วพระอาจารย์ไปก็ฟังว่าเริ่มต้นพระอาจารย์ทํายังไงบ้างมาเรื่อยๆเนี้ยหนูก็จะไปเก็บไว้ในเซฟไลน์ส่วนตัวค่ะพอทําแล้วติดขันหนูก็จะมาเปิดเปิดฟังก อ, อกับฟังบ่อยๆจนเข้าใจอะค่ะอืนะเรียกว่าฟัวันนะคะฟังฟังธรรมะของพระอาจารย์ทุกวันจนจนเข้าใจซึ่งเมื่อก่อนหนูไม่เข้าใจว่า มันธาตุดินน้ำลมไฟจิตแล้วมันไม่ใช่ตัวเราอะใช่แต่มันไม่ใช่ตัวเราอย่างไงแล้วมันมันวนมาเป็นเกลเอะกรรมวิบากกลับมาเกิดเองอย่างไงอะค่ะอืมอ่ะอ่าไม่ได้เรื่อยพิจนารณาไม่ไเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะเป็นขึ้นมาเองพอเป็นแล้ววันรู้ทะเห็นมีดวงตาเห็นทำขึ้นมาอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าบอกอัญญาณคนัญญาแถวรู้แล้วเนาะแถรู้แล้วเนอะตอนนี้แสดงทำเกลเอะว่าจริงท่า ถ้ามานั่งฟังธรรมะของพระอาจารย์น่ะมันยิ่งกว่าไปเรียนต่อปริญ ญ, ญาโทดังพุทธศาสนาอีกคะ่ะเ<ม>พราะหนูมาสอบเชาวพระพุทธศาสนาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วหนูว่าหนูก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าสอนอะไรถูก็ลาไปเรียนต่อที่มอจะรอแตไ ม, ม่เข้าใจเท่ากับณสมปีนี้ที่หนูมานั่งฟังพระอาจารย์ทุกวันทุกวันเลยคะ่ะอ่านี่ก็ปฏิบัติท่งเทศปฏิบัติไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็จะเข้าใจลึกขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะล้างออกขึ้นไป แล้วหนูก็ตั้งใจว่าจะไปอยู่ที่เขาชีโอนด้วยค่ะอ่าแสดงว่าใกล้เข้าไปแล้วนะยิ่งใกล้เข้าไปก็ต้องตัดงานเลยค่ะที่ทำให้มีวันมี้คไม่ทราบไหมคะว่าหลวงพ่อานเสาบางซ้ายธำมโนภาพแล้วอ่ะค่ะได้ได้ยินนะได้ยินก็มีมีประกาศอยู่ใน f เฟซบุ๊กอยู่เห็นนั่นอยู่อยู่ใกล้ใกล้วัดเขาบางซ้ายนะ ต่ออยู่อยู่โรงเรียนติกวัดเขาบางไายโรงเรียนชมบุรีศึกขมวดนะคะอโรงเรียนที่สมเด็จพระพุท โ, โคสาจนย์เจริญศขมวดสร้างขึ้นนะคะแล้ววัดบางไทก็เคยทำด้วยเอืหลวงพ่อท่านก็เป็นพระที่สมถสม ถ, สมถะสงบท่านก็ตอนที่ท่านตอนที่ท่านเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าวาดหน้าจังหวัดท่านก็รับหน้าที่ดูแลวัดยานไปด้วยสมเด็จสาวไว้ช่วยเป็นตามหน้าที่ดูแล เนี่ยเขาก็หลวงพ่อท่านก็มาเจิมให้ค่ะอตอนที่เปิดกิมมิคท่านไม่รับซองไม่รับอะไรเลยค่ะเด็ก็เอามาพิจารณาว่าร่างกายของทุกคนเหมือนกันนะเราต่อบแล้วเราก็ต้องเป็นเหมือนท่านนะอย่าประมาณดี้มตักน้ำน้ำขึ้นให้ดี้มตักวันนี้มีเวลาที่เราจะปฏิบัติทำได้ไม่หงทำให้มากแต่ายังี้ยคิวเรา โอเคมุกตายมีมอะไรไหมไม่มีนะมีคำถามค่ะอาจารย์เข้ามาฟังธรรมโอเคสาธุไปที่คุณตายพัทยาคุณตายได้ยินไหมน้อมการน้มาสการค่ะอาจารย์ได้ยินค่ะไ ป, ไปถึงไหนแล้วคราวนี้ก็ปีนี้มีความตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิทุกวันค่ะอาจารย์จะต้องทําให้ได้จะก้าวข้าม ก้าวข้ามความคิดเกียดให้ได้ค่ะพระอาจารย์มีมากแล้วก็ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็กลับบ้านก็มีความโชคดีค่ะพระอาจารย์ที่ได้คุยกับพี่สาวคนที่เราเคยเคยทะเลาะกันนะคะพระอาจารย์ mm hmm. นานถึงห้าปีหกปีอะค่ะไม่ได้คุยกันเลย mm hmm. ก็พอดีไปจะกันแบบว่าแล้วหนูก็เลยแบบ ลดทิฐิของตัวเองก็คือทักเขาก่อนแล้วก็ขอโทษเขาอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็ก็กลับมาเป็นพี่เป็นน้องกันใหม่ค่ะพระอาจารย์เรื่องเรื่องเก่าๆแล้วก็ไม่พูดถึงไม่อะไรปล่อยให้มันผ่านไปกับการเวลาที่ผ่านมาค่ะพระอาจารย์ธรรมะของ mm hmm. พระอาจารย์ที่สั่งสอนว่าให้ลดทิฐิมาหน้าตัวเองหรือว่าอะไรแล้วกบแต่หนูก็รอจังหวะที่จะใช้มันอยู่ แต่ก็ไม่รู้จะเข้าหาเขายังไงแต่พอดีบังเอิญแบบบังเอิญที่ได้เจอกันแล้วหนูก็ทำตัวให้ต่ำเป็นน้องเขาหรือว่าลดลดความว่าใครผิดใครถูกลงไปนะคะพระอาจารย์ก็เลยได้คุยกันก็กลับมาเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์เมตตาใช้การให้อภัยเนะียค่ะอันนี้ก็เป็น เป็นนิมิตหมายของหนูที่ดีแล้วก็จะพยายามตั้งใจนั่งสมาธิแล้วก็ทําทําให้แบบให้ตัวเองก้าวหน้าไปไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็งดเข้าเย็นแล้วค่ะหลายวันแล้วค่ะก็อยู่ที่ความเพียรพยายามของความอดทนนะทุกยากง่ายก็ต้องทําวันไหนไม่รู้อยากจะทําก็ต้องทํำถ้าไม่ได้ทําวันพรุ่งนี้ต้องลงโทษต้องทําสองเท่าต้องทําชดเชยด้วย ก็ก็จะพยายามทําทุกวันสองคนสองคนกับโยค่ะก็ชวนกันนั่งสมาธิบอกว่าเราอย่าให้ขาดเลยเพราะว่านั <t ui> <t ui> <t um ่งมากนั่งน้อยหรือว่ายังไงก็อย่างน้อยก็ทําให้ใจมันสงบลงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ที่วู่นวายที่ต่างๆนได้เข้ามาเป็นเพื่อนด้วยกันดีเพราะเราอยู่ด้วยกันทําอะไรน่วมกันได้มันก็ดีช่วยช่วยขับนั่กันได้บางวันราอาจจะขี้เกียจเขา่าจจะหักเรา บงวันเขอาจจะขี้เกียจล้วก็ผักเขาว่างใช่ค่ะพระอาจารย์ก็พยายามทำขึ้นปีนี้คิดว่าต้องดีกว่าเดิมค่ะพระอาจารย์ต้องก้าวหน้าเราจะไม่ถอยหลังค่ะพระอาจารย์ก็มีคร<ม>ูบาอาจารย์ให้เราเป็นที่พึง่งแต่ก็ยังพิพจารณาคนอื่นไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ พิจารณาไม่ได้ก็คือแบบว่าการพักๆเงี้ยพ่อจารย์เมื่อกี้พ่อจย์พูดถึงการพิจารณาให้เรื่องการพัดพักหรือน้ำตาลหนูร่วงอะไรหนูเราลองพยายาอ้าว่วงอีกแล้วก็ก็ถือว่าถอยมาตั้งสติไหมเดี๋ยวพีจว่จันทร์ยังสงมไม่มากพอ<ช>พิจารณาไม่ได้ค่ ะ, ม, คะมันความรู้สึกว่ามันมันแรงมากตัวนี้หลายครั้งที่พิจารณาแล้วแต่ไม่ได้สักทีเลยพ่อจารย์แต่ก็จะพยายามก้าวคํา ไปให้ได้ด้วยสมาธิและสติที่ที่จะทําขึ้นมาค่ะอาจารย์เ่อไปนั่งสมาธิบ่อยๆแล้วจะมีกาลังมากขึ้นเจ้าค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์อาทิตย์ที่เข้าสู่เมื่ที่แล้วอะค่ะหนูลองเข้ามาเข้าช้าไปยี่สิบนาทีต้องเปิดอีกเครื่องหนึ่งรอเราว่าคนจะออกก็ไม่มีใครออกก็เข้าไม่ได้ก็เลยแบบต้องฟังอยู่ข้างนอกค่ะพระอาจารย์ อดเลยอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้าก็ไม่เป็นไรวันพรามาทิวาสก็มาคุยได้มาถามได้ใช่ค่ะพ่ะอาจารย์วันนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะขอให้พระอาจารย์ทาตุขันแข็งแรงนะคะเน <Yeah. S 2> ี่ยพยายามสู้ไม่ถอยเนะี่ยสู้ไม่ถอ ย, ย แ, อแล้วคนะ่ะกําหนดอธิษฐานไว้แล้วต้องมีสัจจาสัจจะอธิษฐานตั้งใจจะทะนะําอะไงนั้นต้องไม่ดอกตัวเองนะต้องทำตามตที่เราตั้งใจไว้ เจ้าข้าพระอาจารย์อันนี้เริ่มต้นมาดีมากยังไม่ขาดสักวันค่ะพระอาจารย์อืนี่ค่ะสาธุค่ะไปที่คนด้านกับคุณป้าเจินชนบาเลยครับเข้า ม, ม, มาสักการครับอาจารย์ครับเข้ามารายงานตัวค่ะเข้ามาฟังทำเหมือนเดิมครั บ, รบยังไปในหลวงยังทำอยู่นะทุกวันครับอาจารย์แต่ของผมน้อยครับก็พยายามพยายามจะทําให้มัน สม่ำเสมอมากขึ้นครับมันก็ตามคุณแม่ก็ไปทำพร้อมกันนได้ครับได้ครับอาจารย์ทําคนคนที่อ่อนกว่าก็ต้องอาศัยคนที่แข็งแข็งแรงกว่าหนึ่งไปได้ครับยอมรับเลยว่าผมอ่อนกว่าเขาเยอะครับอาจารย์แต่ว่าก็ก็ยังไม่ท้อครับก็ตั้งใจว่าปีใหม่แล้วก็อยากจะทําอ่ำให้ให้ดีขึ้นกว่าปีก่อนๆครับอายุก็มากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใช่เวลาจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับ แต่ไม่ค่อยไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากกดดันเขามากค่ะอเราไม่ต้องก ด, ดนะเราไม่ขัดเขาไม่ขัดก็<ำ> <ๆ S 2> ดีใจแนละ้วเราทำตัวเราทำตัวเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเขาก็ตามตามมาเองอดีค่ะพี่ตาก็พยายามตอนนี้ก็ตั้งใจปีนี้เหมือนกันมีความตั้งใจแต่ก็ไม่กล้าลับป่าค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำอย่างน้อยสามสิบนาทีพยายามเดูนไปเดี๋ยวเราอ่านเพียงแล้วเราจะ สามารถผลักดันเราไปได้หรือไม่นะถามพระอาจารย์ครับค่ะก็ขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะครับครับขอบคุณพระอาจารย์นิชีนะ่ยครับยังทพร้อมกันไปครับค่ะอ่คนอนไม่ใช่อันนี้อยู่ที่ไหนอยู่กรวะอธรรมวะค่ะพระอาจารย์ที่ศรีังกาที่หนใช่มพระอาจารย์ อแต่ไปศรีลังกาบวชบวชบวชไปบวชที่นั่นใช่ไหมแล้วกลับมาอยู่ที่อตอนตอนนี้เหอเห็นว่าแผนคือบวชที่วัดเทศชินลินแล้วก็ค่อยไปที่ศรีลังกาค่ะเพราะว่านั้นอาจารย์จัดเตรียมไม่สะดวกไม่สะดวกบนะ้านเราสะดวกกว่าใช่บ้านเราสะดวกกว่าอือีกว่าอย่างนั้นก็ก็ก็จะเป็นอาทิตย์หน้าบวชวันที่สิบหกค่ะอาจารย์มันคพคหัสแล้วก็ไปอยู่เช่นัสองประเทศ แค่สออาทิตย์แล้วก็กลับมาแล้วก็พระท่านก็จะไปอยู่ค่ะของเองก็จะเป็นช่วงที่ดีมากเพราะว่ามุงก็จะได้ปฏิบัติในส่วนของตัวเองด้วยกันเราก็จะถือสินแปดได้เพรามไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่อะไรนะเรื่องอะไรนะใช่ครับพราะเราอยากจะเออไม่ทานเย็นเขาหิวเราก็อ่ะไปเป็นเพื่อแต่เนี่ยมันเหมือนช่วยเกื้อหนุนการปฏิบัติของเราเองด้วยที่ที่ดีมากๆเลยค่ะอืม ก็อะไรไปด้วยกันได้ถ้าปฏิบัติคนละขั้นของก็ต้อก็อต้องลำบากก็ต้องปรับอะ่างเปรับใช่ก็เลยบอกว่าเรก็เลยบอกว่าจริงๆปีเนี้ยตั้งใจว่าอยากจะลงบทชีดูแต่บอกว่าให้เขาอ่ะให้ให้พี่เขาบวทให้เสร็จก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหายไปทั้งคู่อาจจะเด็กๆอาจจะตกใจอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เลยบอก <c oughs> ๆๆเด็กๆอาจจะอพี่ <c oughs> ก็เลยว่าอ่ะให้ให้พระบวชให้ให้เต็มที่เลยแบบว่าไม่เป็นไรเราเรายินดีในการที่ ที่เขาได้ไปเป็นพระอย่างเงี้ยบอกว่าเอาเต็มที่ไม่ต้องกังวลเลยออออกมาเมื่อไหร่เราก็ค่อยไปของเราเพราะว่าเราก็ปฏิบัติในอย่างนี้ได้แหละเราคิดว่าก็ก็ก็เลยคุยกันไว้อย่างเงี้ยค่ะแต่ความตั้งใจปีเนี้ยก็คือบอกว่าเออเดี๋ยวพอพี่กขาบวชเป็นพระเสร็จพอเสร็ะจอะอยกลับมาดูแลเด็กๆแล้วเราจะไปลองบวชชีดูบ้างสําหรับวันวนี้เราสังเกตย่ายมผู้หญิงที่มาใส่บาตรเนี่ยกลหัวกันเยอะนะ <ไ>ใชก็เห็นเดี๋ยวนี้ก็เวลาไปไปดูก็รู้สึกชื่นชมยินดีดนะชื่นชม ท, ทาซึมซาบเข้าไปในใจของเขาใช่ค่ะชื่น ช, ชมมากเลยค่ะก็เ<ๆ>ลยรู้สึกว่าเออเราก็ก็เลยเอาเป้าหมายเอาไว้แบบนี้ปีนี้แต่ก็บอกว่าไม่เป็นไรก็คือนั่นแหละช่วงที่ที่เขาไปบวชนี่แหละมันช่วงที่ดีมากสำหรับเราเหมือนกันในการที่เราจะได้ปฏิบัติถือศีลแปดที่เข้มข้นขึ้นได้เพราะว่ามันก็มันก็สามารถจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ ใมืนเราอยู่ตัวคนเดีย ว, วนะที่เมันเราอยู่ตัวคนเดียวค่ะใช่ค่ะก็ประมาณนี้ก็วันนี้ไม่มีอะไรกับอาจารย์ก็เตรียมก็ <laughs> จะเดินทางอาทิตย์หน้าอ ย, น อ, นอย่างเงี้ยบอกเด็กๆมางานถอะไรเงี้ยเอาตัวอย่างเป็นตัวอย่างลาบเลื่อนนะอ่าขอบคุณค่ะอาจารย์โอเคอ่าทุกอาจารย์รักษาธาตสขันนะค ะ, ะอ่าคุณมาภาฒนาเชิญ กลางนั้นมาสการค่ะพระอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วเห็นใจรักเต็มเลยค่ะพระอาจารย์เป็นโควิดกันทั้งสองบ้านเลยคุณพ่อก็เป็นด้วยแต่ว่าเอตัวเองไม่ไม่เป็นนะรู้สึกว่าเออธรรมโอษฐมันช่วยเยอะมากเหมือนกันนะพระอาจารย์แล้วคุณพ่อก็ไม่กลัวตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะฉีดเลมเดสแล้วก็ที่บ้านก็ตัวเองเลยส่งข้าวส่งน้ําสองบ้านอะก็ต้องแยกตัวกักตัวอยู่คนเดียวอยู่นี่ เดี๋ยวนี้มันเป็นโรคประจําถิ่นก็คือยายังไม่ต้องกินเลยนะคะอาจารย์เริ่มมาจากลูกสาวก็ยาคือถ้าอายุยังน้อยไม่มีโรคอะไรหมอก็ให้กินแค่ไอยาหน้ํามุ่ยเฉยๆอาจารย์อแล้วก็ขอบคุณพ่อเนี่ยพอดีเป็นไตด้วยค่ะแล้วก็ผ่าตัดมาก็หมอก็เลยฉีดยาสามวันก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็ห้องสาวก็ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวเองก็ดูแลโดยที่ไม่ได้กลัวอะไรนะเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนแค่วัดใหญ่ธรรมดา อืมใช่ค่ะแล้วมีอาจะจะมีคอนะาอาจา ร, รู้สึกว่าหนึ่งก็คือยังเป็นเจ็บคออยู่แต่ว่าอาการอื่นเพราะแต่คุณพ่อที่หมอเ อ, อกซเรย์เอกซเรย์ปอดนะคะก็คือ <c oughs> ไม่มีอะไรคือพอ่าอยูุ่ปุ๊บเนี้ยหมอเขาจะเ อ, อกซเรย์ปอดแล้วก็จะดูว่าจะให้ยาหรือเปล่าค่ะก็ไม่มีอะไรแทรกซ้อนไม่ต้องกินยา ก, ก็ได้ค่ะแต่เขาคุณพ่อเป็นโรคไตก็เลยหมอกขาเลยให้ยาสามวันแต่เขาคน <c oughs> อื่นก็ไม่ได้กินอะไรมิ้งล่องสาวาอ่ะพราะลองสาวเขาจะทํางานเป็น <c oughs> ทำงานเยอะเหมือนกันก็เลยอาจจะเป็นเยอะก็เลยให้กินยาโบโน <c oughs> ก็ก็เลยแบบเห็นสัจธรรมเลยพระอาจารย์ว่าเออที่ที่แล้วก็ยังดีดีเห็นรจรักมากมากเลยพระอาจารย์<ด>แต่ว่าก็ยังแน่นอนใช่พระเจ้าเตือนอยู่เรื่อยให้เราคิดอยู่เรื่อยเรามีความแก่ความเจ็บความต้ยเปธรรมดาคือยังไล่ดีทำไมคุณพ่อรักษาใจได้นะคะคือยิ่งพอรักษาใจได้มันโลกมันก็เลยไม่ได้เป็นอะไรมาก ของตัวเองก็นั่งสงมาธิเลยเหมือนเดิมก็รู้สึกว่าเออจริงๆมันก็ไมก่ก็ไม่ติดแนละ้วพระอาจารย์เป็นคนเดียวที่รอดค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวตารางก็เหมือนเดิมพระอาจารย์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าพอพอไม่มีเชือ้อแล้วก็เดี๋ยวไปออไปเลยนะคะไปาหารพระสนิทพนเหมือนเดิม <c oughs> กลับมาก็ก็ไปต่อแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็ไปวัดค่ะลงสเก็ต ด, ดูแล้วพรายิ่งเห็นอย่างเงี้ยยิ่ ง, ง, งรู้เลยว่าอาทิตย์เดียวเอง โ, อโหแบบ โควิดมาทั้งบ้ามันเหมือนสามปีที่แล้วที่ได้มาเจอพระ อ, อาจารย์ก็เพราะโควิดนะคะอาจารย์คราวนี้ก็โควิดมาก็คงต้องขยับโตขึ้นไปแล้วโควิด <c oughs> มาอีกรอบหนึง่งอาจารย์ <c oughs> ไม่มีอะไรกับวันนี้อ <c oughs> อะไรและอ <c oughs> าทิตย์หน้าจะไม่ได้เข้านะคะเพราะว่าไม่ <c oughs> ไม่ทราบวาจะยังยังอยู่ที่เรื่องรุนแรสบายห้องนี้ไม่มีไม่มีการอะไรใารจะเข้าใจแล้วออกนี่ไม่ต้องรายงานหายไปก็หายไปโผล่มาก็โผล่มา อะไม่ได้ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บหลักฐานจดไว้ว่าใครเข้าใครออกไม่มีแต้มให้ไม่มีแต้มให้ไม่มีการหาักแต้มอยู่ที่อยู่ที่ตัวการปฏิบัติของเราเป็นตัวที่จะให้แต้มเราหากแต้มให้กับเราเองพระอาจารย์ถักไม่หักก็ยังไก็เข้ามาพระอาจารย์พยายามเต็มที่ขอบพระคุณข่าคุณป้วยนักซมบัติหายไปเหมือนกันหลายอาทิตย์เลยนะท่านเกืจะจําไม่ได้เลยเนี่ย ค่ะคุณพระอาจารย์หายไปอาทิตย์เดียวเองพระอาจารย์อาทิตย์เดียวเลยอืมค่ะพระอาจารย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วโยมมาเอ่อพยายามจะเข้าโยมมาสายแต่เข้าไม่ได้แต่โยมฟังอยู่ข้างนอกอืมโยมก็คนเข้ากันเยอะคนเยอะเลยเ ข, เขาไม่ปล่อยให้เข้ามาหมดเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ก็เวลามันไม่พอเดี๋ยวยืดมันจะเลยเถอดไปน้อเขาบอกอยู่อึมพระอาจารย์โยมอะ เอไม่มีปัญหาอะไรหนักๆ ห, หรอกโยมก็สวดมนต์วันสิ้นปีโยมก็ถือศีลเหมือนเดิมศีลเจ็ดศีลแปดกลางคืนศีลเจ็ดกลางวันแต่ว่าเมื่อวันจันทร์โยมถือศีลแปดทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะว่าโยมติดติดแบบออกไปข้างนอกไม่ได้มันมีพายุอ่ะพระอาจารย์แต่ว่าเมื่อวานนโยมเป็นอะไรก็ไม่รู้โยมอยู่ๆโ ย, ยมก็รับไปเฉยๆกลางวัน มันไม่มีเหตุผลในการหลับเลยเออโยมก็เลยคิดว่าเ อ, อ๊ะมันเหมือนกับมันเหมือนกับอะไรมาแกล้งเราหรือเปล่าหรือว่าไม่เหรอมันเป็นตาย้ักให้มองเป็นตายรักไม่แน่นอนอันนี้จันแต่โยมดีใจอยู่เรื่องหนึ่งโยมก็เลยจะน้อมน้อมนําบุญมาถวายพระอาจารย์โย ม, มนะเ อ, อ่อตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าปีเนี้ยโยมเนะ่ะเ อ, อ่อจะต้องปฏิบัติธรรม ให้มากที่สุดเร่งบารมีให้มากที่สุดและโยมก็ตั้งใจไว้ว่าโยมจะไปทําบุญโอคฟ้าให้ได้กับทําลูกเ อ, อกรูปรูปที่กลมกลมอะ่ะพระอาจารย์รูปมิมิทนะมิมตานุมิมิทอ่ะใช่แมไปซื้อมาโยมดีใจมากเลยโยมได้ซื้อหนึ่งลูกเลยพระอาจารย์ดีแล้วโยมก็ได้ไม่ได้ทำโชคฟ้ามันไม่มีวัดไหนทำโชคฟ้าแต่โยมก็ได้ทําเ อ, อ เขาเรียกอะไรนะอาจารย์ที่ที่อยู่บนศีรษะเกตพระเกตอะ่ะเสียงนอะ่ะพระเกตอยู่อยู่บนพระพุทธเจ้าอะ่ะของอพระประทานโยมไปร่วมเป็นชันนนช้นใช่ไ้ยเออที่เป็นแหลมแหลมอะ่ะอยู่ข้างบนศีรษ ะ, ะเป็นา<ะ>พระเกตอะไรทำนองเนี้ยคะ่ะโยมก็ร่วมรอ ก, ก่ะเขาแล้วคือมันเป็น เหมือนกับนาทีสุดท้ายเลยมั้งนายโยมก็ไม่รู้หรอกว่าความหมายคืออะไรแต่โยมคิดเอาเองว่าถ้าโยมทําตรงเนี้ยชาติน้าโยมจะต้องฉลาดแน่เลยโยมก็โยมก็เลยจะทำโยมโยมคิดเอาเองนะแต่โยมไม่ได้ไปถามพระหรอกนายโยมคิดเองโยมก็ไม่รู้ความหมายเหมือนกันโยมเลยมันดีใจอนะก็เลยเอามาถวายพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ได้บุญกับโยมนะอสาธุจ้ะโอเคนะหมดแล้วใช่ไหอะไรไหม มีหร <c oughs> อ, อพระอาจารย์ขอพอรค่ะออืให้สุขให้เจริญให้งอให้ฉลาดให้ฉลาดมากยิ่งขึ้นไปสาธุค่ะขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงค่ ะ, อ, ะอยู่ไปตลอดเลยนะพระอาจารย์าสยาธุเหมืที่คนที่สาต่อเ <c oughs> ไปลุกถึงบ้านลาแล้วเปล่าไปนี่ถามไฟหรือเลูกอย่า อากาศในมรดกการค่ะพระอาจารย์ไตลักมาเต็มๆค่ะพระอาจารย์ไฟเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้พ่อยู่ที่ไหนอ๋อลูกอยู่ตรงมิดซิตี้ค่ะพระอาจารย์ตรงแถวคอรียทาวค่ะกับคอเวอร์ซิตี้ค่ะใกล้ใกล้คอรียทาวค่ะใกล้ดอนทาวน์นะค่ะก็ยังไม่ไม่ไม่ใช่อเรียนั้นนะคะแต่ว่า คือที่ไหมนี่มันจะอยู่ตรงตรงที่เป็นเขาภาคตะวนออกาคตะนออภาคตะนอภาคตะวัน่อภาคตะวันออกภาคะวน่าจะนออกภาคะอกาคตะน่าคตะวันอาคะนอาค่ะนอภาจะวันออกาคตะวันอกาคตะวันออกาคตะนอ้มาันเหมืานออกาันเอกภาคนออกาคนกล้ที่วนอคะนชุมชคะนคะนอาจะาคยะภาค่ะก็าม่สาคะการถาควบกาคตะวัค่ะวรคะอาคะภารย์ออาติาคตะ ชาววัตตาใช่ค่ะภาษาแล้วเขาปีนี้รู้สึกว่าไม่แบบคือบ้านแถวภาราเซตอะไรเงี้ยมันบ้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะบ้าเลยทั้นนทงนั้นเลยค่ะมไม่รู้ว่าไม่น่าน่าจะไปเยอะมากเลยค่ะพจาาัดปกติไม่มันจะอยู่ที่แบบเขาที่ทางแบบว่าเป็นพวกเป็นป่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปีนี้รู้สึกเข้าในแอเรียคนนะคะคนที่อยู่เนี่ย ค่ะโรง<ม>เรียนตรงพาราเซ่นี่โรงเรียนไปหมดเลยค่ะไฮสคูลน่าจะมไม่น่าจะไปหมดเลยค่ะอาจารย์อ<ม>คงจะดับยากด้วยค่ะอาจารย์<ม>คงจะถึงเย็นนี้<ม>เขาบอกว่า<ม>น่าจะจนถึงเย็นเนี้ยค่ะถึงจะหยุดตอร์มวินนะคะอาจารย์<ม>อากาศไม่ดีค่ะอาจารย์ันก็นธรรมชาติทุก อ, อย่างเป็นธรรมชาติใช่ค่ะ เราคงไปบุกลุกธรรมชาติค่ะจริงๆไม่สมควรที่ไปอยู่ตรงเขาเลยค่ะพระอาจารย์มันมันเวลามันเวลามันแบบเคลื่อนย้ายเราแบบมีปัญหาอะไรแล้วมันการเคลื่อนย้ายอะไรก็ลําบากค่ะพอาจารย์ค่ะที่บ้านนี้ก็เมื่อเมื่อคืนยังคิดเลยปลดไฟไฟดับด้วยค่ะพระอาจารย์ยังคิดเลยว่าเอ๊ะวันเช้าวันนี้จะได้จะได้เข้าซูมไหมอะแต่ตอนนอนก่อนนอนไฟดับค่ะสงสัย ต้นไม้คงจับบลมคงแรงมากแล้วเป็นลมต้นไม้ทับสายไฟอะไรเงี้ยคะแต่ก็ปิดได้มาได้แต่เข้าสูงค่ะอาจารย์ก็ไตหลักค่ะอาจารย์ชัดเลยค่ะก็ไม่มีอะไรตัวปฏิบัติมากกวเหตุการณ์ตั้งสติว่าโมเบคาก็มองทุกอย่างค่ะค่ะมองทุกอย่างเป็นไตลักก็รู้สึกแบบเออมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะ ขนาดบ้านเขาแบบหูใหญ่ๆแบบไม่เหลือเลยค่ะอาจารย์ทุกอย่างในโรกนี้มันเหมือนกับฟองน้ำอย่างมันก็แตกตุกอย่างร่างกายเราก็เป็นเหมือนฟองน้ำเดี๋ยวร่างกายเราก็แตกท้ายไปก็กลับกลายเป็นธาตุสีอาจารย์ใช่ค่ะก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ ก็ดีค่ะไ ด, ได้ได้แบบเออได้เห็นถึงใจรักได้เห็นถึงแบบอ๋อเขาก็คงต้องมีการพัดภาคสิ่งของที่เขารักอะไรเนี้ยคะ่ะอาจารย์แล้วก็มีธรรมะเขาก็จะไม่ทุกข์ถ้าเขาไม่มีธรรมะเขาก็จะทุกข์มากค่ะอาจารย์ร อ, อย่างน้อยถ้ามีประกันไ็ยังไม่ทุกข์เท่าไหร่ไม่รู้ประกันจะจ่ายคอ cover หรือเปล่าเนี้่ค่ะพอาจารย์แต่ว่ามันมันก็แล้วก็แบบมันคงเป็นสินแบบ คุณค่าทางใจของเขาอะค่ะพระอาจารย์อทุกทางใจอค่ะก็มีแบบมีแบบว่าที่เขาย้ายพวกซีเนียอะไรเงี้ยคดูแล้วก็แบบเออเราก็สึกแบบตรงสานะต้องไปเริ่มต้นใหม่ไฟไหม่มันทําให้เราต้องไปเริ่มต้นใหม่นะค่ะพระอาจารย์โอเคต้องปล่อยวางค่ะอาจาร ย, า ย, ย์อย่า ย, ยึดอย่ายติดทําใจให้เหมันเป็นพาพทุดงภาพทุดงก็ย้ายไปเรื่อยๆค่ะไม่อยู่าาไม่ได้ก็ไปต่อ ค่ะทําให้เราทําให้เราคิดเลยว่าเออเราไม่ควรมีสมบัติอะไรมากมายเลยค่ะอาจารย์เพราะเห็นเลยว่าแบบบางคดบางแบบบ้านใหญ่ๆแบบเขามีรถเยอะค่ะอาจารย์แล้วคงแบบรถก็ต้องก็ต้องย้ายต้องขนต้องแบบเอาออกลงมาจากบ้านแล้วก็มากองไปอยู่ข้างล่างก็คือแบบแล้วมันมันทําแบบมันกั้นทางของแบบไฟแบบรถกับเพิงอะไรเงี้ยเขาก็ เห็นออกไปอย่างเงี้ยแบบรถดีๆทั้งนั้นเลยค่ะพระอาจารย์เขาก็ไม่รู้จจทํายังไงอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยคิดว่าเออคนเรามันมีมันมีมากเกินไปจริงๆอะค่ะพระอาจารย์เนบ่ยน้อยสันโดษดี่สุดใช่พอถึงเวลาก็เอาไปไม่ได้อะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าจะเอาไปยังไงบ้านแต่ละบ้านรู้ว่ามันต้องเขาต้องมีรถเยอะมากค่ะพระอาจารย์เราก็ไม่รู้จะขนยังไงเขาไม่มีธรรมะเวลามีก็ซื้อซื้อซื้อมันอยาจะซื้ออะไรก็ซื้อกัน อใช่ค่ะพระอาจารย์อืมค่ะเวิชาโมหะอาวิชาค่ะพระอาจารย์ไม่เห็นไม่เห็นตารักไม่เห็นทุกในสิ่งต่างๆค่ะพระอาจารย์เอเคพยายามอยู่ของเรามั่น้อนสั่นโดดนะค่ะพระอาจารย์มีอะไรมากเกินไปก็ขายทิ้งไว้เอาไปทําบุญหน้าก็ได้จริงจริงค่ะพระอาจารย์ควรจะมีเท่าที่พอใช้อค่ะพระอาจารย์ มีมากก็มีกระเป๋าใบเดียวได้ดีถึงเวลาก็ใส่กระเป๋าเอาคลยถาพระอาจารย์พยายามค่ะพระอาจารย์น้อมนำปฏิบัติค่ะพระอาจารย์อยขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะอาารย์คุณเอกเชียงรายอันนี้เชียงรายหนาวอีกครนะนาวมากไหมกับนับกวัฒกกรัทธาอาจารย์ครับอากาศกา็เริ่มเย็นอยู่ครับพระอ า, า, าอจารย์ข้างล่างนี้ตอนเช้าประมาณสิบสองปสิบมครับพระอาจารย์ ที่อยู่ได้เมืองเนี้อ่ยสิบสองเลยครับผมก็ท่านอยู่วันดอยยิ่งตัำกว่านี้กันนะครับผมที่บนที่วันดอยน่าจะเอ่อเลขเดียวเล็กเดี่ยวเล็กเดี่ยวครับแต่ก็เห็นว่าเห็นว่าสัปดาห์หน้านี้ก็จะลดตรงอีกนะจะลดตรงอีกมารีกรอบครับก็ทีดีอยู่ครับก็นั่งสมาธิก็สบายอยู่ครับเย็นอยู่มกันนะครับทุกท่านสบายอากาศสบายครับ ก็เข้ามากราบพระอาจารย์ครับก็เรียนปฏิบัติอยู่ครับไม่ขาดไม่ทิ้งนะครับไม่ขาดไม่ทิ้งครับช่วงช่วงเย็นก็เพิ่มเดินจุกมมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับอาจารย์ครับเป็นอย่างต่ำต่ำเดินทุกวันนะครับก็ทําให้สมาธินิ่งดีดรงครับพระอาจารย์ครับในช่วงตอนเช้าครับเข้าง่ายอยู่ครับดูสติถ้าเราเจริญสติบ่อยมันก็จะเข้าสมาธิได้ง่ายครับผม ก็ปฏิบัติทุกวันกับอาจารย์โอเคสาธุนะครับผมปลอพระอาจารย์ทักขันให้หน่อยครับผมอ่าสาธุครับคุณคุณหน่อยเชาียรา์นิดกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมคะ ช, ชัดเจนจ้าชัดเจนค่ะเอ่อเข้ามารายงานตัวค่ะรายงานรายงานรายงานว่า ไม่ไปไหนเลยค่ะว่าซามลุ่มลุ่มตอนดอนเหมือนเดิมค่ะก็เหมือนเด็กอะน้อมลุกคู่คานไปก่อนพยายามฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยว่าดีขึ้นเองตามลำดับพอมีสติก็จะนึกถึงแต่ความตายค่ะคะอาจารย์คือทุกวันนี้แบบไหนเลี้ยงแมวใช่ไหมคะตื่นเช้ามาไปกอดแมวน้องโตอุ่นรู้สึกดีมากเลยจ้ะ ยังยึดติดอยู่เจ้าค่ะกลัวแบบสัวันหนึ่งไม่มีเขาให้เราก่อนดนะทําไมใช่เจ้าค่ะก็ก็คิดเสมอเวลากอดเขาเขาตัวอุ่นก็จะบอกว่าอีกสักวันหนึ่งเขาก็ต้องตายไปจากเราหรือไม่เราก็ต้องตายไปจากเขามันผุดขึ้นมาตลอดเลยเจ้าค่ะเ อ, อดีเบอร์อนานุสติอาจารสอนให้เราปล่อยวางกันอย่าไปยึดอย่าไปติดไม่ใช่แค่แมวนะคะทุกคนในครอบครัวด้วยเนี่ยไม่อยากพูดถึงในกลัวทุกคน เ, เป็นอะไรไปแต่ก็ยัง ยังทำใจไม่ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์อฝึกสมาธิให้มากๆจินไม่นิ่งพอเจ้าค่ะพอนั่งพอเข้าสมาธิอ่าเหมือนกับมันมีความช่มชองอ่ะเจ้าค่ะเข้าไปแวบนึงแล้วก็ออกแวบนึงแล้วก็ออกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่นานเจ้าค่ะยัต้องให้อยู่ให้มันนานๆด้วยบังคับใช่ไหมเจ้าค่ะเช่พอมันอยากจ้า ก, ก็พูดโธรพูดโธรไป แต่มันเด้งออกมาเองอะเจ้าค่ะแสดงว่าสติมันเนี่ยหายไปมันเด้งถ้ามันเด้งเจ้าค่ะเพราะว่าแบบสติคาดเลยขาดเลยใช่เจ้าค่ะอย่างนั้นมันต้องรู้ก่อนมันต้องรู้ก่อนแล้วจะออกไมรู้จะ้าออกรู้ก็รู้กับพูดโธพูดโธไปเลยสวดมนต์ไปอะไรก็ได้แต่ก็กหยุดไม่ได้อะออกขค่เขียนเองไม่ใช่เจ้าค่ะมันมันหยุดไม่ได้แล้วแบบเหมือนกับ อ่าเขาจะมาว่าเหมือนกับความคิดมันจะมาแบบตีกันเลยอะเจ้าค่ะแล้วเราก็ต้องเตีมันด้วยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วอันนี้จังทุกขรั้งกน่าตายกะเนีลยตายตายตายตายตายก็เลเจช่ค่ะจะไปทำยังไอุ้ยตายอุ้ยตายอุ้ยตายไปลมหายใจแล้วก็แล้วพุทโธแล้วก็แล้วก็ไม่หยุดก็ต้องตายอย่างเดียวใช่ไหมเจ้าค่ะภาษอันนี้จังทุกขรั้งกน่าตายไป จ้ะค่ะจะไปทางนี้ดูจ้ะค่ ะ, ะเพราะว่าแบบเด้งเด้ ง, เ ด, งเด้งหลุดตลอดเลยจ้ะค่ะในพุโทโธธรรมูสังโฆอะไรให้มันยาวหนะ่อยแล้วค่ะวันนี้ก็มีประมาณนี้จ้ะค่ะจะจะเร่งซ่อมเขียนตัวเองที่รั่อวอย่าปล่อยให้มันออกมาพยายามกดดันมิเกลเข้าไปใหม่จ้ะค่ะจะได้นั่งได้นานหน่อยก่อนนั่งก็ควรจะมีสติฝึกสติก่อนมานั่งด้วย จริงๆเริ่มมาสวดมนต์ใหม่แล้วจะค่ะตั้งแต่ <boarding. S 2> แบบอแบบคือพอรู้ว่าตัวสติแล้วทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเริ่มยังไงก็ไม่มีสติใจไม่นิ่งพอแแบบเอาอย่างที่พระอาจารย์บอกเริ่มสวดมนต์เลยเริ่มก็คือสวดมนต์ก็สวดมนต <geon. S 2> ์นะจ้ะค่ะก็จะกลับเข้ามาจ้ะค่ะก็เรียกฉุกชากันอย่างเงี้ยค่ะไม่ใคยชนะกิเลสเลยค่ะว่าอาจารย์ก็ทำไม่ต่อเนื่องทําำหยุด เ้าท<ช>ทำทำมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกิเลสมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเจะค่ะโอเคนะค่ะนี่ประมาณนี้สักค่ะขอบคุณพระอา<ะ>จารย์มากสะค่ ะ, ะ, ะคุณภูมิหายไปนานเลยคุณภูมิมีน้ขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้ขอกาบนำเสนอครับอาจารย์ครั บ, รรรบก็ตอนนี้ก็น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นจากเดิมมาพอทาน น้ดวยะพอดีท่านหายไป<ม><ม>ควบคุมปล่อยว่าอ๋อครับพระอาจารย์ครับคือคือผมเองก็พยายามรักษาวินัยเหมือนเดิมครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าอย่างที่พระอาจารย์เคยเคยบอกผมว่าเออสังคมเยอะมันมันควบคุมไม่ได้ก็เรื่องจริงครับคือจากที่แบบหายไปปีหนึ่งนะครับ <c oughs> เราก็เข้าไปอยู่สังคมทำนู่นทำนี่ครับ <c oughs> พอเราบอกว่าเราจะมีวินิสัยตัวเอง วินัยตัวเองมันก็จะมีข้ออ้างนะว่า เ, เราอยู่กับเขาเราก็ต้องกินกับเขาอะไรเงี้ยมันเลยทําให้นิสัยเราเปลี่ยนไปด้วยครับกับการว่าเราครอบเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวลุมเดียเด๋ยวเดี๋ยวยืนเดี๋ยวลุกไป ไ, ปไปมาเนี้ครับอาจารย์พระเจ้าทรงสอนให้เราเลือกครอบคนไงครับแต่ว่าผมก็ไม่อยากเอาเหตุผลนี้มาเป็นข้ออ้างครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราตั้งมั่นอยู่แล้วเนี่ยมันก็ควรจะต้องแบบทําได้ตลอดนะอาจารย์ก็เลยมาสังเกตตัวเองได้ว่าช่วงที่ น่าจะสองปีที่แล้วครับที่ผมเข้ามาสูมพ้าอาจารย์ช่วงนั้นเนี่ยเรารู้ตัวเพราะว่าเราอเป็นคนที่แบบว่าต้องอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ได้ได้พูดได้คุยมันเหมือนมันจะมีกําลังมากกว่ากับอาจารย์เลยพอเราไปอยู่คนเดียวแล้วเหมือนเราแบบอืมเราไม่มีกําลังอะ่ะพอเราตั้งใจได้สี่ห้าวันก็เอา้าแพ้อีกแล้วแพ้ตัวเองตลอดก็เลยแบบอาจจะก็เลยตั้งใจว่าปีเนี้เราต้องเอาจริงสัทีทำไมนิสัยของเรามันเราเปลี่ยนไม่ได้สัทีในเรื่องนี้ครับก็เลยว่าจะมา เอาใหม่ครับมาดีสตาร์แล้วก็รู้ตัวมากขึ้นว่าสิ่งที่เราทําอยู่อ่ะเราจะต้องอาศัยครูบาอาจารย์แล้วก็สังคมที่อยู่ในทิศทางเนี้ครับเพื่อให้เราอาเป็นคนที่พัฒนาขึ้นครับอาจารย์ครับอาจารย์บอกให้ใหเรียนพบคนพบคนคบที่ฉลายคนที่เก่งก็เราเขาจะได้ฉุดลากขึ้นไปได้ครับอาจารย์ครับแล้วก็ในที่ผ่านมาครับผมเองก็จะมีเวลา ส่วนใหญ่จะไปนั่งการนั่งสมาธิมากกว่าครับแล้วก็อาศัยการเจริญสติในประจำวัน<ม>ทีนี้ในเมื่อเร็วๆนี้ยนะครับมันก็จะมีบททดสอบเยอะมากมายผมก็จะพบว่าวิธีการที่ผมแบบมีสติกลับมาไวที่สุดอะ่ะก็คือพุทโธจากเดิมที่ผมแบบใช้วิธีการแบบรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็ได้ประมาณหนึ่งครับ<ม>แต่พอเหมือนช่วงนี้ยผมลองใช้วิธีพุทโธตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วครับ ก็คือพูดโธเวลาเราจะแปลงฟันเราก็พูดโธเวลาเราจะจะทําอะไรก็พูดโธทใด่ครับแล้วก็มันมีสิ่งที่สงสัยครับอาจารย์คือคือผมรู้ตัวว่าเวลาที่เราทําอะไรแล้วมันจะชอบไปคิดอ่ะผมจะเอาพูดโทแทรกไปเลยเพื่อไม่ให้มันคิดเรื่อยเปื่อยพอผมทำไปเรื่อยเื่อย่างเงี้ยมันจะมีเช้าวันนึ่งครับผมผมปกติวธรรมชาติเวลาผมตื่นนอนอ่ะแบบกำลังจะกำลังจะตื่นร้อยเอร์ซ็นอ่ะมันจะมีความคิดปกติใช่ไหมครับแต่ว่า วันนั้นน่ะเหมือนตื่นมาผมยังไม่ได้ทันตื่นเลยพูดโทมันมันพูดโทขึ้นเองอ่ะผมก็เลยงงให้ใครพูดโทวะแต่ว่าเราแต่เราก็งงว่าเอ้ยมันคงเป็นนิสัยเราแหละที่แบบว่าก่อนนั้นเนี่ยเราพูดโทติดต่อกันเจ็ดวันเลยตลอดเลยมันผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นนิสัยที่มันมาเองหรือเปล่าผมก็เลยงงใช่ใช่มันมาเองมันต่อไปมันจะเป็นแบบอัตโนมัเนี่อ๋อคือคือผมงงมากเลยคือปกติผมเป็นคนพูดโทแต่ตอนเนี้ยมันมีอะไรมาพูดโทเองครับอืม มาถึงเวลามันก็จะทํางานของมันเองแต่แต่ว่าพอพๆมีช่วงหนึ่งพอผมก็ปล่อยให้พูดโทไปเรื่อยๆที่เนี้ยมันจะมีอย่างเช่นเวลากินข้าวอ่ะพูดโทผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปตามอารมณ์ผมก็เลยงวงว่าพูดโทเนี่ยมันถือว่าเป็นไตลักไหมพ่อจันก็เป็นเหมือนกันมันก็หยุดได้หายได้อเพราะเพราะว่าเหมือนพูดโทมันมันเป็นไปตามอารมณ์ของมันเลยปกติผมจะพูดโทเพื่อนหนีอะไรบางอย่างหรือแบบพูดโทรครับ ก็เราใช้มันตอนที่เราถ้าเราต้องการมันถ้ามันหายไปเราก็ต้องเราก็ต้องเรียกมันกลับคืนมาถ้าตอนตอนที่มันหายอ่ะผมก็เลยงงว่าสรุปพุทโธกับความรู้สึกตัวมันคืออันเดียวกันมหมครับพอพุทโธไปอยู่ดีมันก็กว้างออกเลยเพราคนั้นความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกพุทโธก็คือพุทโธกรรมริกกรรมเป็นกรรมฐานอืถ้าเราไม่นึกถึงมันมันก็หายไปได้นะถ้าเราอยากให้มันกลับมาเรากต้องนึกถึงมันเริ่มต้นใหม่ อาจารย์ right. ครับก็เลยก็เลยเหมือนช่วงนี้ก็เลยแบบเอ้ยเราไม่มีไม่ค่อยมีวินัยด้วยครับอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยพูดโทอ่ะมันรู้สึกว่าเออผมอ่ามีความปโอเคในพูดโทมากขึ้นนะอาจารย์ก็เลยว่าจะกลับมาใช้วิธีพูดโทเหมือนเดิมครับแล้วก็จะกลับมามีวินัยกับชีวิตมากขึ้นครับโดยจะมาสู่อาจารย์ให้บ่อยขึ้นครับอาจารย์ครับโอเคดีมากครับอาจารย์ครับ คุณมาริกาเชิญที่ว่าจากนำมาส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็อยากได้ได้ฟังจากกา ร, รยานมิตรนะคะพระอาจารย์ก็คือได้ความรู้มากขึ้นส่วนที่รูปปฏิบัติอยู่นั้นก็ร่มๆๆรูปกุคลานก็คือรู้แล้วว่าถ้าเราขาดสติเราก็าไปไม่ได้ค่ะพระอาจารย์การที่เราจะพิจารณาในเรื่องของการยึสติ นั่นก็คือมันทำไม่บางทีก็ทําไม่ได้เหมือนทีพ่พระอาจารย์ว่าก็คือเราไม่ได้ติดต่อกอับอาจารย์ดังนั้นการปฏิบัติต้องพยายามที่จะเข้ามาได้เหมือนกับที่น้องก็พูดนั่นแหละค่ะครับพระอาจารย์ก็คือได้อยู่ได้ฟังได้มาอยู่กับในซูมแล้วก็เราได้เรียนรู้แล้วก็เราได้ปฏิบัติก็ทําให้เราได้เพิได้มีความมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นเจอาคระอาจารย์ พรับตั้งเขาจะสอนให้ให้ให้ฟังเทศให้สนทนาทำตามการตามเวลาตามโอกาสเป็นมงคลอย่างยิ่งเอราจะได้ยินได้ฟังทำที่เราไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อนทำที่เราเคยได้ยินแล้วถ้าฟังซ้ำเองก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้ให้มีสัมมาทิฏฐิว่าเห็นที่ถูกต้องให้มีความสงบ น้เป็นของดีเป็นของวิเศษที่เราไม่ควรจะทอดไม่ควรจะปล่อยให้หลุดมือจากเราไปมันธรรมทวนะก็คือการทำตามนะแ ล, <Okay. S 2> แล้วก็ค่ะแล้วก็เวลาลูกไปวัดไปวัดนี้ก็คือไปวัดเวลาวันพระก็จะทำให้เรารู้ในเรื่องของการที่จะไปควบคุมอารมณ์ควบคุม อะไรนะเรื่องสติของเรานะคะพระอาจารย์บางครั้งก็มันก็หลุดตรงนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันเพราะว่าในลักษณะที่เราไปวัดก็ไปเจอผู้คนที่มันหลากหลายคุณพระอาจารย์ก็ดีแล้วกาควบคุมไม่ได้คนก็หลากหลายก็เป็นนิจจงแล้วก็ปล่อยให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางเขาก็จะทำยังไงเป็นยังไงก็เรืองของเขาไปแต่ว่าก็เสียใจ รู้สึกเสียใจค่ะรู้สึกเสียใจเพราะเรายังมีความอยากอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อราก็ไม่เป็นก็เยเสียใจอย่าไปอยากที่เราควบคุมบังคับเขาไม่ได้เราเป็นเหมือนดินฟ่ะใช่ฟ้ากันกันโอเคนะอันนี้คุณลูกษาไม่เข้ามาใช่ไหมติดตามหรือปล่ า, น, าน่าจะไปทํำธุระที่โมโอ์ค่ะพอดีสามีไม่ ไปเช็คสุขภาพนะคะอาจารย์โอเคได้อ่าไปที่เพืนลลิตาโพล่าอีกคาถามวะเนี่เอ่อวันนี้มีสามเรื่องเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคเอ่อเรื่องแรกคือเหมือนที่พระอาจารย์พูดเลยคือคําพูดเป็นนายเราเจ้าค่ะครั้งที่แล้วที่ลูกครอบคลุมกับพระอาจารย์แล้วลูกยังรู้สึกผิดไม่หายเลยที่บอกพระอาจารย์ไปว่าเอ่อ ที่ลูกเข้าโครงการฝึกหิตกับชีวิตประจําวันของของสถาบันวิปั ส, สนาวิชาลัยของวัดมาเหยยองเราท่านเน้นวิปั ส, สนาลูกก็คิดว่าปัญญาของลูกไม่ถึงท่านแล้วลูกก็ไปฟังเทศอีกท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กําหนดว่าใครต้องเป็นแบบไหนให้ดูอัธยาศัยตัวเองว่าใครจะสมมหะก่อนวิปั ส, สนาหรือว่าวิปั ส, สนาก่อนสัมถัตหะหรือว่าจะทำควบคู่กันไปก็ได้ให้ดูอัธยาศัยตัวเอง รูกก็เลยสมมติลูกพูดผิดลูกพูดตามความคิดตัวเองเดี๋ยวจะเกิดโทษแล้วก็เสียโอกาสคนที่ฟังด้วยค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปปฏิบัติแล้วเผื่อคนชอบวิพักสมมตาเราจะไม่ได้เข้าไปอย่างเงี้ยอยากจะแก้คมพูดหน่อยเ้าค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ข้อที่สองก็คือสงสัยเรื่องสิ่งห้าค่ะพอดีเคยไปเรียนไปเรียนนักทตีมาแล้วพระท่านสอนว่าสิ่ห้าข้อการเมก็คือ รูปลถกลิ่นเสียงสัมผัส ด, ด้วยอันนี้ใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่หรอกก็รูปรถสัมผัสของคนที่เราจะไปนอนหลับนอนด้วยไอ๋องั้นลูกก็ยังนั่งโซฟาได้ใช่ไหมเจ้าคะมาถึงสิบห้าสิบห้าใช่จะาเขายังกินอาหารอร่อยได้ได้ยังนอนกับแฟนได้อยู่นอนสามกับสามีภรรยาได้อยู่แต่ยังไม่นอนกับคนอื่นได้เจ้าค่ะแต่เรา แต่ว่าถ้าเป็นสีแปดนี่จะเป็นอาหารอร่อยด้วยใช่ไหมเจ้าคระตัวอย่างเลยไม่ให้เสียรูปเสียงกินรดให้กินแบบ<อ>กินแบบกินแบบกินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายไม่ได้กินเพื่อตามความอยากไม่ได้ไปปรุงแต่งรสอะไรต่างๆไม่ต้องใส่น้ําตาลใส่น้ําปลาเลยเขาทําอะไรมาให้กินแคกินเะไรอย่างงั้นเจอาค่ะแล้วแล้วสีแปดนี่ ท่านในบ้านเปิดเพลงบ่อยแล้วลูกลูกไม่เปิดฟังเองแต่ลูกชอบเผลอไปร้องเพลงตามในใจเวลาคุณแม่เปิดเพลงนี้ลูกไม่ควรสมาทานสิบแปดให้ครบทุกข้อใช่ไหมเจ้าค่ะควรจะเว้นข้อนี้เอาไว้ใช่ไหมเจ้าค่ะเรายังข้ามใจไปร้องกับเขาไม่ได้ก็ควรจะควรจ ะ, ควรจะเว้นข้อ น, นี้ก่อนเธอสิ้นเจ็ดไปก่อนแล้วกัน อ, อ๋อจ้าค่ะจ้าค่ะแล้วก็ฝึกสติค่ะที่พระอาจารย์ให้ฝึกสติระหว่างวัน ดูรวบอยู่กับอิยาบทแล้วหลุดหลุดบ่อยหลุดคิดบ่อยเจ้าค่ะอยู่กับพุทโธเลยใช้พุโท<ล>พโธแทนถ้าหลุดกันใช้พุโทโธเข้ามาช่วยเจ้าค่ะแล้วถ้าใช้ลมลมแทนพุโทโธได้ไหมเจ้าค่ะลมต้องเวลานั่งอย่างเดียวลมละเอียดโอ้แล้วลาเลอียดมันดูยากเจ้าค่ะอ๋อได้เจ้าค่ะน้อมกับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าสาธุขอบอาจารย์ท่าน แข่ง <an> <t ong> ขอให้พระอาจารย์ท่านแข่งแดงนะเจ้าค่ะอาทิตย์รกที่มานี่มารถยนต์เนะมาเครื่องมารถยนต์เจ้คาค่ะรถยนต์นะโอเคอ่าทุกอ่าไปที่อเมริกาซานดิเมงตอนในเวลาท่านพระอาจารย์เจ้าคะ่ะก็ดีขึ้นไหมยการมาเป็นมืเอเสียือยังโอ้ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์หลังจากที่อา่าปรึกษากับท่านพระอาจารย์เมื่อทิตที่แล้ว หนูคือของหนูนี่จะตรงข้ามกับคุณภูมิะะมาค่ะเพราะว่าของของเขานี่จะเป็นออ่รู้ตัวแล้วก็มาเป็นพุทโท้โธหนูก็รู้สึกว่าความจริงเนี่ยอานาปานาสติมันสําคัญถ้าวันหนึ่งข้างหน้าหนูเกิดป่วยเดินไม่ได้ขึ้นมามันมีความจําเป็นที่จะต้องใช้อานาปาในการเจริญสติหนูก็เริ่มฝึกคราวนี้นี่หนูทําเต็มที่เลยคะ่ะพระอาจารย์เวลาจะนอนหนูก็ดูลม พอนอนดูลมมันก็ตื่นขึ้นมากับลมเวลาเดินหนูก็กำหนดตัวรู้คือพยายามตลอดเวลาค่ะพระอาจารย์แต่หนูก็ไม่ทิ้งนั่งสมาธิค่ะคือหลังจากที่เดินจงกรมเสร็จแล้วหนูก็กลับมานั่ง น, นั่งได้ลึกมากค่ะพระอาจารย์มันมันนั่งได้อย่างเมื่อคือนก็นั่งได้คือปฏิบัติได้สี่ชั่วโมงติดกันเลยอะค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่า อย่างตอนปฏิบัติเนี่ยทุกครั้งหนูจะต้องเดินจงกรมก่อนตลอดเวลาเพราะหนูกลัวมันจะดิ่งลงไปลึกมากอะคะ่ะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนูนั่งอยู่แล้วหนูก็พยายามดูลมแต่มันจะมีอยู่สองจังหวะคะ่ะพระอาจารย์คือถ้าลมหมดกำลังมันไม่ดิ่งหลับมันก็จะดิ่งวูบลงไปลึกกคะ่ะแต่ถ้ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันจะดิ่งวูบลงไปลึกแล้วหนูก็ไม่ยอมอะคะ่ะหนูก็ใช้พุโทโธดึงมันขึ้นมาดึงมันขึ้นมาตลอดเวลา ไม่ควรคุณจะปล่อยมันให้มันเด้งไปไม่เป็นไรไม่ไม่มีไม่มีวมันจะออกไปไม่ไม่ออกไม่ออกถ้ามีสติมันไม่ออกมันจะเข้าสู่ความสงบไปต้องปล่อยให้มันเด้งไปเต็มที่เลยไหมปล่อยเลยใช่ไหมคะปล่อยให้รู้เฉยเให้รู้เฉยเใช้การกำหนดรู้ค่ะพระอาจารย์แล้วหนูก็เลยเหมือนมันมาถึงบางอ้อค่ะพระอาจารย์ว่าที่ฟังธรรมะมาทั้งหลายที่พระอาจารย์พูดมาทั้งหลายว่าอนิจจังทุกขังอนัตตา สเพธธรรมาอนัตตาติอย่างเงี้ยค่ะฟังมาจนคิดว่าเราเข้าใจแต่พอมันไปถึงตรงนั้นจ ร, งจริงจงจิตไม่ยอมรับอะค่ะเหมือนจิตมันก็วิ่งตามแล้วก็แทนที่เราจะเป็นผู้ดูจิตกับเข้าไปเป็นผู้เล่นอย่างเงี้ยค่ะจม<บ>มีความอยากมีตัณหาอยู่ใช่ค่ะพอพอหนูมาพิจารณาแล้วหนูก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่มันมายาของจิตจริงๆเราไม่สามารถทาไมเราไม่เห็น ต้องหลุดออกมาก่อนแล้วถึงจะมามองย้อนกลับไปอย่างงี้ค่ะใช่มันก็ต้องอย่างนี้ต้องผิดต้องต้องพ่ายก่อนแล้วถึงจะเห็นแล้วมาแก้ทีหลังท้าหน้า แ, าแล้วก้แล้วพอหนูมาฟังธรรมะของพระอาจารย์ทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยนะคะหนูก็บอกตัวเองว่าวันนี้เราได้ยินมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งทําไมทําไมพอถึงเวลาที่จิตไปอยู่ตรงนั้นจริงๆเรากับหลวมตัวเข้าไปเป็นผู้เล่นในนั้นเลย นนมันง่ายนิดเดียวนนค่ะหนูก็บอกว่ามันง่ายนิดเดียวแล้วมันก็มีอยู่วันนึงอะค่ะที่เหมือนมันหลุดออกไปแล้วอะค่ะ <c oughs> แล้ววิธีการแก้ไขของหนูง่ายมากเลยคะ่ะแค่สูตรลมหายใจมันก็กลับมามันแค่นั้นเองอ่ะค่ะใช่ยังดึงสติกลับมาหนูก็เลยหนูก็เลยรู้สึกว่ามันแค่นี้เองนะสติกับสมาธิมันอยู่ที่ลมหายใจอร่างกายขอ ง, ต, งอต่างกับความฝันหรือนิมิตต่างๆ มันก็ต่างกันแค่ที่ลมหายใจพอมันพิจารณาแค่นี้มันก็กลับมากลับมาเองอะค่ะพระอาจารย์ดีแล้วนะแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันมันนิ่งอ่ะค่ะพระอาจารย์ที่หนูเล่าให้ท่านพระอาจารย์ฟังหนูรู้สึกว่ามันนิ่ง<ม>แล้วก็อย่างกลับมาแรกๆเนี่ยขนาดเสียงเสียงพูดหนูยังฟังไม่ได้เลยค่ะมันเหมือนมันรบ ก, กวนอ่ะคะ่ะเวลาจนมันจะเด็งก็ปล่อยมันเด่งไปให้ให้ใหู้หหเฉยๆไปค่ะค่ะตอนนี้หนูก็ เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วค่ะไม่คือถ้ามันจะหลุดออกไปหนูก็ใช้สติดึงมันก็ไม่มันก็ไม่หลุดอะคะ่ะแค่ภาพว่ามันจะออกมันก็ไม่ให้มันออกอะคะ่ะก็คือใช้สติไว้แสดงว่าเราได้สติกลับคืนมาแล้วค่ะแต่หนูก็ยังแต่พอพอมาเจริญสติปุ๊บ่ะค่ะพระอาจารย์จริงๆหนูว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแต่ว่าเราทําไม่ต่อนเนื่องหรือว่าเราไม่มีความเขียรพอออที่พยายาม พอพยายามเหมือนเราบังคับว่าเออเราควรจะกลับมารู้ตัวกลับมาดูที่ลมหายใจกลับมาทุบพุทโธกลับมาที่การเดินทำอยู่แค่ปีกหนึ่งมันไม่ยากเย็นตรงไหนเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์มันเห็นเลยค่ะว่าเหมือนอย่างเวลานอนอย่างงี้ค่ะหนูเห็นเลยว่ามันมันรู้รอบอะค่ะสติมันรู้รอบมันสติคือสิ่งที่คอยปกป้องจิตเห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะพระอาจารย์มันมันแหล่มคมมากเลยค่ะ ก็ก็หนูก็จะทําต่อไปค่ะพระอาจารย์เหมือนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาอย่างที่เรียนพระอาจารย์หนูพอมาเจอกับตัวเองแล้วรู้สึกว่าทําไมทําไมเราไม่เก็ตทําไมเราไม่เก็ตก่อนหน้านี้ทําไมเราฟังมาตั้งนานทําไมมันไม่ลงถึงจิตเพราะเรายังปฏิบัติไม่ถึงค่ะพระอาจารย์ค่ะเอาปฏิบัติถึงแล้วมันก็จะเห็นเองใช่ไหมใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะ อยู่ที่ตัวสติถ้าถ้าสติมากเท่าไหร่มันก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ก็จะจะดูสติเพราะว่าพอมันได้สติที่มันสว่างชัดเจนปุ๊บเนี่ยสมาธิมันง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะอแล้วก็เป็นสมาธิที่ไม่ไม่เหมือนเราเราก็รู้ตัวในสมาธิเราไม่ได้หลับไม่หลัไม่เราบไม่หลับ่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ใช่เลยค่ะก็จะทําต่อไปกลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะหนูยังคิดเลยว่า ถ้าหนูไม่มีพระอาจารย์คอยแนะนำทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เราหลงคิดว่าเรารู้แล้วแต่แต่พอถึงเวลาจริงแล้วถ้าไม่มีพระอาจารย์คอยแนะนำหนูก็คงจะยิ่งหลงอะคะ่ะพระอาจารย์อก็ไม่เป็นไรอันนี้มีที่ยืนเนี่ยก็ยึนไปนะค่ะครับค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากมากนะค ะ, อะตอนนี้ก็ขอขอพระอาจารย์ทัาท์แข่งแข็งแรงนะคะอ่าสาธุอ่าคุณปลางเมลัยศรีราชา ำำ ก, การกนมัสการค่ะพระอาจารย์เพิ่งกลับมาจากเช<น>ียงรายค่ะอากาศหนาวต้องไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าไปก็เลยไม่สบายคะเป็นวันเสาร์เสาร์แทนนะแล้วันนี้ก็ที่ทํางานก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ เ, เรื่องเราหนูก็เลยสบายใจเลยมันไ ม, ไม่ไม่มีการเลื่อนไม่มีอะไรละ<น>อชัดเจนที่สุดแล้วก็มีออกสองคนคนนึงเป็นเอเซโครติเช<น>เป็นต่างชาติเขาได้งานโรงแรมที่ใหญ่เงินเดือนที่ดีของหนูก็ หนูก็แจ้งบอกว่าหนูก็จะไปไปใช้ชีวิตเวิร์กไร์บราลานของหนูอะไรไม่มีงานทํา<ม>ก็รู้สึกว่าตอนแรกกังวล น, นะคะพระอาจารย์ตอนนี้รู้สึกว่าเออปล่อยมันไปอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วก็คิดว่าไม่ไม่ต้องรอค่ะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆ่วงช่วงที่ยังไม่มีอะไรทําก็จะได้ปฏิบัติมากขึ้นค่ะพระอาจารย์อ<ม>ือค่ะขอขอบพระคุณเจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงเจค่ะเลือกทําที่ถูก ทางงานมรดกแปดเนี่ยทำดุตจตนอย่าไปเวียนไายตายเกินอย่าไปทางแห่งการเวียนไหวตายเกิดล่าบยศสนเสริญเจ้าขาน้องรับเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าไปที่คุณแนนอุดรธานีน้อมกาญมัสแกร์พระอาจารย์รูปไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคคุณทันชิดไต้หวันมีอะไรไหม อราพูดได้เลยไม่ได้ยินเสียงต้องถอดหูฟังออกมะอยไม่ไรครับตัวซ้ายออกอึ่งคนวูดเซ้ยงสองคนเออมีอะไรไหมไม่มีอะไรครับต้อมากราบอาจารย์ครับพันี่ตายไปไม่ค่อยดีครับาอาจารย์เอา่าในเวลาอนุจกักรมองไม่เที่ยง เดียดีแล้วเดี๋ยวก็เสียพอเสียมัก็ทให้ทุกขครับโอเคอย่าไปยึดอย่าไปติดนะครับอาจารย์โอเคอาจารี์นะบางทีคนคณเอิญคนเอิญอ่านชื่อไม่ถูก้องขอโทษด้วยการอภิษฎการค่ะพระอาจารย์เอิงค่ะเอโอเคคนเอิมื่อเห็นเมื่อกี้เห็นพี่ภูมิพี่ภมิก็เข้ามานะ ค่ะพระอาจารย์ดีใจเหมือนเรียกพี่ภูมิมาแล้วจากอ่สัปดาห์ที่แล้วค่ะเราไม่กระตุ้นเขาเลยอ่าค่ะก็ที่พระอาจารย์ถามถึงก็เลยบอกพี่เขาว่าพระอาจารย์ตามพี่ภูมิแล้วนะอค่ะพระอาจารย์วันนี้เอิงก็มาเป็นสัปดาห์ที่สองค่ะวันนี้ก็เลยมีคําถามมาถามพระอาจารย์ค่ะอา ม, มา คำถามแรกก็คือตอนนี้ค่ะเอิงอ่ะมีเหตุการณ์บางอย่างค่ะที่รู้ว่าเออการกระทําทางกายมันไม่ออกมาทางวาจามันไม่ออกมาแต่ว่าเอิงรู้ว่าจริงๆแล้วใจเอิงอ่ะมันยังมันยังไม่ได้หยุดคิดอะค่ะเออสิ่งที่ทําตอนนี้เอิงก็แค่แบบว่ารู้ทันที่มันคิดอยู่แล้วก็พอรู้ทันมันก็หยุดแต่ว่ามันก็พอเจออะไรมันกระทบกายไม่ออกมา วาจาไม่ออกมาแต่ว่ารู้ว่าใจมันยังไม่ไม่หยุดอะนะคะก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้สิ่งที่เอิ้งทำคือแบบแค่รู้ทันมันเรื่อยเห็นมาเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้ว่ามาถูกทางไหมคะ่ะอาจารย์มาถึงครึ่งทางแล้วใช้สติหยุดมัน ก, ก่อนนี่ถ้าอยากจะหยุดมันอย่างถาวรต้องใช้ปัญญาปัญญาคือเราต้องมองว่าการที่เราคิดนี้มันคิด คิดเพราะว่าเราไปเห็นสิ่งได้สิ่งหนึ่งแล้วเกิดความโลภความอยากขึ้นมาเราก็ต้องมองสิ่งที่เราเห็นนั้นมันเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะได้หยุดที่จะไปโลภไปอยากมันเราก็จะเลิกคิดถึงมันได้หมายความหมายความว่าเอิงก็ต้องเอ่อเห็นรู้ท่ามันไปเรื่อยๆจนเกิดปัญญา หราคะอาจารย์พอมันเกิดขึ้นมาใช้ปัญญาสอนไหมครัอย่าไปยุ่งกับคนนั้นอย่าไปยุ่งกับคนนี้เพราะมนทุกข์ทุกข์กับเขาไมเที่ยงเขาไม่แน่นอนเราควบคุมบางคราวก็ไม่ได้เราเห็นทุกอย่างเป็นตายร่างแล้วมันก็จะหยุดคิดเองหยุดจุดไปยุ่งกับเขาเองค่ะพอาจารย์แล้วก็อีกคําถามหนึ่งน่าจะโยงมาจากคําถามเนี้ยคะ่ะก็คือเออ เหมือนพอเอิงอ่ะได้เข้ามาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้รู้ไ ด, ได้รู้สึกถึงภาวะที่เรียกว่าปิติที่รู้สึกว่าตัวเองดีใจที่ได้เข้ามาถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่ามีความคิดว่าตัวเองอ่ะโชคดีแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็เป็นคนดีระดับหนึ่งนะ ที่แบบว่าได้เข้ามาในพุทธศาสนาอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่เหมือนพอเราปฏิบัติทำไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยค่ะเหมือนเห็นความคิดไปเรื่อยๆอ่ะมันกลับเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเอออ่ะไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้นเพราะว่ามันเหมือนเห็นความโลภความโกรธความหลงแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ได้เห็นมากขึ้นนะคะก็เลยคิดว่าอือพอเหมือนถึงจุดเนี้ยแล้วเรามีความรู้สึกว่า เราไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้นอย่างเงี้ยมันทําให้เอิงรู้สึกว่าเราจะต้องหาวิธีในการที่ลดความโกรธความโลภความหลงอย่างเงี้ยค่ะเออแบบเอิงเข้าใจถูกไหมเพราะว่าจา ก, กที่ไม่เคยเได้เห็นนะคะ พ, พอเราเริ่มปฏิบัตบญญมิมากขึ้นเราสติปัญญาเมียมากขึ้นมันก็จะเห็นข้บอบกพร่องในตัวเรามากขึ้นเมื่อเห็นแล้วต้องแก้ไขมันไปใช้ธรรมะมาม า, มาดับมันอันไหนไม่ดีก็เลิกทํามัน <พ>าอาาออจย์ั <พา S 2> นไห น, นดีก็สนับสนุนส่งเสริมมันให้มันมีเพิ่มมากขึ้นเช่นสติดีกพยายามส่งเสริมปัญญาเป็นสิ่งที่ดีพยายามมองทุกอย่างให้เป็นตายรับไปเรื่อยๆตัวน่าที่เป็นความโลภอยากไปเที่ยวอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยดังนั้นเริ่มมันเสียอ่พาพระอาจารย์คืออย่างที่พระอาจารย์บอกว่าอยากไปเที่ยวอยากเหงจริงๆอ่ะก็ เห็นนะคะว่ามีความอยากแต่ก็ต้องแบบเหมือนอัดแบบนี้เรียกว่ามีสติไหมคะพอเราเห็นแล<ม>้วว่าเราอยากแต่ยังไม่แต่ยังไม่มีปัญญาเราเห็นแล้วมันมีความสุขชั่วคราวแล้วก็เป็นบหมืยาเสียพติดไปก็ต้องไปอยู่เรื่อยๆ ไ, ไม่ได้ไปก็จะทุกข์จะเครียดขึ้นมาจะเหง า, าขึ้นมาขนาะดเอองเอเองแบบเคยพาคนไปใส่บาตรกับพระอาจารย์ใช่ไหมคะอย่างเงี้ย<ม>แล้วพอวันหนึ่งเอองรู้สึกว่าเอองไม่ได้ไปเอองก็กลับทุกข์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออ อันนี้ยคือแบบเห็นในทางงที่สิ่งดีนะคะอืมแต่นี้ก็ต้องมายึดติดต้องมายึดติดถึงเวลาทําก็ทําถึงเวลาไม่ได้ทําก็ต้องหยูุ่ดความอยากอ่ะอาจารย์ความอยากความอยากเป็นตัวทําให้เราทุกข์เวลาที่เราอยากจะทําแล้วเราไม่ได้ทําตามที่เราอยากอ่ะแ ล, แล้วถ้าวันนี้ตอนนี้เอิงแบบรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ แต่ทําให้มันเกิดปัญญาได้ก็ต่อเมื่ออืงก็จะใช้ไตรลักษณ์สอนตอนที่รู้ทันเวลาเราอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรเราบอกสิ่งที่เราอยากมันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นทุกข์ค่ะผู้อ่านแล้วก็อีกเรื่องสุดท้ายค่ะก็คือพี่พี่หมอใหม่อ่ะค่ะฝากกับอาจารย์ค่ะว่าวันนี้ไม่ได้เข้าค่ะอ่าไม่เป็นไร ขอบคุณมากครับาอาจารย์อาติไม่ต้องกังวลนะใครจะเข้าหรือไม่เข้าไม่ต้องเ ป, เป็นเรื่องตามตามธรรมชาติตามวัตยาศาสัยไม่ได้บังคับว่าะจะต้องเข้าหรือไม่เข้านะไ ม, ไม่ต้องกงังวลสบายใจได้นี่ขอทักมาว่าฝากกล่าวอขอบคุณมากที่เป็นที่คุณยินดีตาอไป็นที่ได้ข่าวทาวบ้าน คุณยินดีมีพายุเ ข, ข้าเลยหมดหรือยงใช่ค่ะอาทิตนี้ทั้งอาทิตย์เลยค่ะ<ม>เอ่อต้นตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็วันจันทร์ก็เดวิดก็ไปทำงานแค่ครึ่งวันค่ะถ้าอาจารย์ช่วงบ่ายเพราะถนนมันมีการล<อ>็อกค่ะอันตรายก็อยากถ้าไม่จาเป็นอย่าออกนอกบ้าน ค่ะใช่ค่ะมันมี อ, มอล e ในโทรศัพท์อะค่ะที่นี่ที่ที่ที่อเมริกาค่ะเวลามันเกิดเหตุอะไรในรัสเซียแบบนี้ยค่ะทางรัฐทางรัฐเขาจะอล e มาค่ะทางโทรศัพท์แล้วก็ไม่ให้เอ่าให้ stay safe บ้านให้อยู่ในบ้านใช่ค่ะท่านอาจารย์ก็ตามนี้ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะท่านอาจารย์แต่โชคดีตรงที่ว่ามันมีแดดอะค่ะมันมันไม่ไมันมัน ไ, ไ, ไ, ไม่มีหิมะเอ่อ กลับเข้ามาแต่เห็นว่าพรุ่งนี้เอหิมะจะกลับเข้ามาอีกหรอคะถ้าอาจารย์ออยู่บ้านแล้วกันถ้าไปสงองไปไม่ได้ก็อยู่ในบ้านค่ะถ้าอาจารย์แต่เดวิดก็ไปทํางานเหมือนเดิมค่ะถ้าอาจารย์ก็แค่วันจันทร์ช่วงเช้าอะค่ะเพราะว่าถนนมันมีการล็อกอยู่อ่ะค่ะถ้าอาจารย์ใ่ท่านอาจารย์ก็ไม่มีอะไรเดวิดฝากกลับถ้าอาจารย์เหมือนเดิมค่ะเมื่อเช้าก่อนออกไป แล้วก็วันที่เขาได้เข้ามากราบท่านอาจารย์เมื่อที่แท้ว เ, เขามีความสุขมากค่ะท่านอาจารย์ก็ดีใจต่อไปด้วยค่ะอ่าวัมสองเต้เหมือนเดิมวันสองเต้เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ขอท่านอาจารย์มานะโอเคขอบคุณมากนะขอบคุณท่านอาจารย์เป็อยางสูงค่ะอันนี้อ่าคุณจิ๊บจิ๊บมาเมื่ไหร่อยากจะไม่สักการะพอาจารย์ พระจร์สบายดีนะเจ้าคะกับสวัสดีปีใหม่เจ้าค่ะเวลา น, นี้ยก็โดนโดนพายุเหมือนกันโอ้ยโดนค่ะโดนประมาณสิบเอ็ดนิ้ว<ม>ประมาณเนี้ยค่ะแถวบ้านโยมอะค่ะ<ม>แล้วโยมก็แบบซ่รามากเลยวันจันทร์หิมะตกโยมก็แบบโอเคลูกๆไม่อยู่ขับรถออกไปหาล้ำไพพิเศษไปกว่าแล้วขับออกไปแบบมัน มันขึ้นเนินนะคะพระจ้ามันเป็นทางโค้งเลี้ยวขวาใช่ไหมคะแล้วมันต้องขึ้นเนินแบบเหมือนเหมือนมันลาดขึ้นไปนิดนึงอะค่ะแล้วรถโยงเป็นรถตู้แล้วมันมันคายอยู่ตรงทางโค้งก็ดีเลยว่ามันมีแบบหินม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยมก็แบบคิดในใจนั่งเฉยๆแล้วก็มองรถแบบที่เขาจะเลี้ยวมาเลี้ยวมาจะอีกแยกนึงอะค่ะมันเป็นสีแยกพอดีมันก็จะแบบอ้าวตายก็ตายไม่เป็นเหมือนนั่งนิ่งมากเลยโก็แบบว่านั่งพิจาุนาความตายไปตรงนั้นแล้วก็แบบโอเคอะ พูดโทรูดโทรแล้วยอมก็พยอมก็แบบขับพวงมาลัยแบบซิกแซกจนกระทั่งมันมันหลุดจากหีม้าออกไปได้อ่ะค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบตายละกลับบ้านดีกว่าไม่เอาละเงินเงินที่ได้วันนี้อาจจะไม่คุ้มกับที่เราจะต้องไปติดหล่อมหรือว่าค่าประกันค่าลากรดใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์มันก็เลยเห็นแบบเออเนไม่เห็นทุกเห็นทุกขเชื่อมนสุขใช่ใช่ไม่เห็นตา้ไม่เห็นย ใช่ค่ะมันนั่งเกิดอยู่ตรงนั้นนะตรงแยกนั้นะอ น, น, น, นบบว่าต้องมาเจอของจริงก่อนถึ ง, งจะรู้ว่าเออมันเป็นทุกข์นั่งสงสารไปเล ย, อยโอ้ความอยากช่วยอะไรไม่ได้กับความตายเลยก็เลยโอเคอย่งนึกถึงนะพระเจ้าลอยมาเลยมก่อน่อจะทาอะไรต้องคิดกับมันเป็นตายรักไนะคุ้มหรือเปล่าได้แล้วคุ้มหรือเปล่าใ ช, ช่ค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็ต้องมานั่งชงน้น โอเคเออกไปดูสภาพอากาศไม่คุ้มไม่ไปว่ะไ่เอาดีกว่านั่งอยู่บ้านนั่งสมาธิสวดมนต์ฟังธรรมดีกว่าอมอก่ก็ไม่มีอะไรคะ่ะพรอาจารย์สบายดีนะคะตอนนี้เขาอยู่บ้านทำงานได้ไื่ต้องไปที่ทำงานคือวันจันทร์วันอังคารเขายังไม่ค่อยโกลยถนนดีมากค่ะยมว่าปีนี้บัตเจ็ตบัตเจ็ตของเขตโยมมันลดลงอะค่ะเหมือนกับรถที่เขาเอามากลวยหิมะมันมันมามไม่ไม่ทันนะคะใช่ค่ะ แล้วเด็กๆ ก, ก็เขาก็ไม่วันนี้เขาปิดเรียนมาสามมาแล้วค่ะจันทร์อังคารวันนี้วันพุธก็ปิดด้วยอ่ะค่ะค่ะแต่ว่ายมพอดีวันพุธนี่ออฟฟิศเขาปิดแค่จันทร์อังคารวันพุธเหมือนกันเขาก็ให้มาค่ะยมก็เลยเออต้องเข้ามาทํางานนิดหน่อยก็เลยเข้ามาก็ทิ้งลูกๆไว้บอกดูแลตัวเองนะแม่ไปแนละ้วแต่ถ <c oughs> นนทางก็ก็ ด, <c oughs> ดีคือถ้าบ้านยมมันออกมาจากถานนใหญ่ได้อ่ะค่ะมันก็ มันก็โอเคเขาเขาทำให้มันเรียบแล้วค่ะมันก็ดีขึ้นค่ะมันมาได้แล้วพอดีมาเส้นทางด่วนเส้นทางเมนหลักไฮเวย์มันก็ทําหมดแล้วค่ะ่แต่ถ้าเกิดอย่างบ้านเพื่อนยมที่เพื่อนร่วมงานนะคะเขาเหมือนกับอยู่ในหมู่บ้านที่มันลึกเข้าไปหน่อยแบบเป็นทางฟาร์มทางอะไรต่างๆค่ะออกไม่ได้ใช่ค่ะเขาก็บอกเขาออกมาไม่ได้เพราะใช่ทางให้ใช่ค่ะถึงแม้เขาจะทําหน้าบ้านของเขาแต่ถนน ถนนที่จะออกมันตัวหลักอะค่ะมัน mm hmm. มันไม่ได้เกลี่ยให้ดีเขาก็ไม่การเสียงออกมาอะไรนี่ค่ะโ mm hmm. ยมก็เลยบอกว่าเออตอนนี้ไม่รู้ว่าอเมริกาโดนแบบเหมือนกับไปทั่วโลกเลยธรรมชาติแบบเล่นงานเยอะเหมือนกั น, นะคะ่ะยงก็เลยแบบนั่งนั่งมองไปวันนั้นลูกชายยมบอกว่าชีวิตคนเรามันก็เหมือนหิมะนะแม่เนาะเดี๋ยวตกเดี๋ยวไม่ตกอะไรโยมก็บอกอุ้ยอุ้ย ลูกอายุสิบเจ็ดลูกพูดอย่างนี้ได้ยังไงเงี้ยลูกก็แบบอ๊ว่าสิ่งที่เราสอนมันก็ซึมซาบเข้าไปในใจเขาเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะก็คาไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ทัดกันแข็งแรงนะคะค่ะสวัสดีไปใหม่ทุกท่านด้วยนะคะคุณพัตลาพรเชิญวันนี้ต้องขออนุญาตคนละสานาทีเนี่ยเพราะว่ามันเวลามันใกล้จะหมดนะ อ่าเมื่อไงลีโอกับามามาสกา ร, รมาสการเจ้าค่ะหลวงพ่อสวัสดีปีใหม่เจ้าค่ะอันนี้ไปโรงเรียนได้ยังหยังไม่เปิดอะไรนะครับไปโรงเรียนได้ยังยังเปิดเปิด<ร>วันอาทิตย์หน้าครับยังยไม่ได้ครับครับตอนนี้อยู่ฝรั่งเศสนะใช่ครับตอนนี้กลับมาฝรั่งกศสเมื่อวานเพิ่งกลับมาจากลอนดอนเมื่อวานเมื่อวันก่อนก็วันพระก็ไปที่วัดเย็นที่วัดที่ลอนดอนนะ วัดไทยเลยวัดอะไรวัดไทยครับวัดไทยที่ลอนดอนวัดพุทธปฏิปัติพุทธปฏิปัลอนดอนจ้ะค่ะจ้ะค่ะี้ะค่ะไม่มีอะไรเจ้าค่ะหลวงพ่ออ่าที่กลับไปเมืองไทยรอบที่แล้วที่ไปกรรมาฐานต่อหลวงพ่อเจ้าค่ะปกติลูกจะแบบนั่งสมาธิคือไม่ไม่ได้จะได้ประมาณเบสิกก็คือหนึ่งชั่วโมงหนึ่งไม่เกินสองชั่วโมงเนี้ยค่ะแต่มีอยู่หนึ่งรอบที่แบบ นั่งยาวไปถึงแบบสี่ชั่วโมงอะนะคะแล้วก็แบบคือพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าคือเปลี่ยนบอลลังแต่ว่าใจมันไม่ออกจ้ะค่ะมันนั่งยาวนั่งยาวไปแล้วแบบมันเป็นความรู้สึกที่มันมันลึกมากจ้ะค่ะแต่ว่าได้ลึกแบบไม่ไม่เป็นครั้งแรกที่มันรู้สึกว่ามันเหมือนมันไปลึกไกลมากขนาดนี้จ้ะค่ะแล้วจนแบบสี่ชั่วโมงกว่าแล้วไม่ไม่ออกแล้วก็รู้สึกแบบ เอ๊ะถ้าเราไม่ถอยออกมาแล้วแบบหรือว่าไปแล้วไม่กลับมาเลยเนี่ยเขาคงจะยกเราแบบทางเนี้ยไปน่าจะลําบากนะอะไรอย่างเงี้ยสิคะคิดแบบทำๆในในในในความรู้สึกเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆถอยออกมาแล้วก็แบบลืมตาออกมาแบบมีคนข้างๆอ่ะเหมือนเขานั่งเฝ้านั่งมองเราแบบอยู่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแบบไม่ไม่ขยับเลยแล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มันยาวรู้สึก ถึงความบอกว่ามันลึกมันยาวมากนะเจ้าค่ะพราะปกติลิมิตของลูกก็จะอยู่ได้ไม่เกินสองชั่วโมงที่ที่นั่งเป็นปกติของลูกเลยเจ้าค่ะก็มันสุกมันสกไม่สุก่ะสุกเจ้าค่ะสุก ม, มากจนไม่หยากจะออกเลยเจ้าค่ะเดีดเจ้าค่ะแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือแล้วก็เหมือนมีคนแบบ มาตัดหน้าเราอะไรเงี้ยต่างเราต่อแถวอะไรแล้วเรามีความรู้สึกว่าเชิญค่ะแล้วแบบใจไม่ได้คิดอะไรเลยแบบเหมือนคุณเป็นลมอ่ะที่ลอยผ่านหน้าเราไปเลยอย่างเงี้ยเจา้ า, าค่ะหลวงพ่อเจา้าค่ะรู้สึกว่าเหมือนคุณเป็นลมแบบเชิญแบบไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าอุ้ยคุณเสีย ม, มารยาหรืออะไรแบบเหมือนเป็นลมที่ผ่านหน้าไปรู้สึกแบบรู้สึกดีเจ้าคะหลวงพ่อเจ้าค่ะมองเป็นท่านไปหมดมองเห็นคนเป็นท่านเจ้าค่ะเจ้าค่ะเหมือนแบบ เหมือนแบบมันทุกอย่างเป็นเป็นท่าที่แบบมันเป็นเป็นลงเจ้าข่าหลวงพ่อเจ้าข่ารู้สึกอย่างนี้จริงๆริงก็คงมันคับไม่ได้เจ้าค่าหลวงพ่อใช่เจ้าข่าอันเนี้ยที่ไปปฏิบัติเจ้าข่าม่มีแคเราไมองทุกคนเลโอก็เหมือนกันแพนเราก็เหมือนกันทรัพย์สมบัติเชอบของก็เหมือนกันเป็นท่าทั้งนั้นนะเจ้าข่าพระอาจารย์แบบอื มองพิจารณาทุกอย่างก็รอบนี้ไปลูกอยู่ต่อนะคะลูกอยู่กรรมฐานต่อก็คือรอบนี้ก็ถักลับเข้าไปสามเดือนลูกอยู่ต่อแล้ววันที่จะกลับแล้วจะก็วันนั้นคุณหมอวีน่าจะเป็นวันจัน อ, อยู่สนามบินแล้วเอ๊ะเราผิดกระเต่าเอ๊ะเขาย้ายมาเป็นวันจันแล้วก็ลูกอยู่สนามบินแล้วก็ฟังอยู่แล้วก็ฝากข้อความว่าลาหลวงพ่อด้วยกาลังจะคิดเคื่องกลับบ้านลี่นะเจ้าค่ะ ก็ขอให้หลวงพ่อมีท้ายขันแข็งแรงเจ้าค่ะก็ทาเจ้าค่ะคอยหลวงพ่อต่อไปพยายามนั่งต่อไปนั่นอยู่ที่ไหนก็นั่งให้มากๆเจ้าค่ะจะเดินเดินทั้งวันเจ้าค่ะหลวงพ่อเดินด้วยนั่งด้วยนะเจ้าค่ะก็ ก็นั่งนั่งก็ปกติก็ก็ฟังตอนเช้าแปดโมงที่นี่ก็จะเป็นปกติที่จะต้องตื่นมาฟังคำหลวงพ่อก็ก็นั่งฟังไป <Okay. S 2> แล้วก็เป็นคนที่ชอบเดินเดินเดินกรรมฐานนะคะจะชอบ<ต>ชอบเดินมันต้องนั่งสมาธิเหมือนที่เราที่เรามานั่งเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะท่าเดินไม่สับเท่ากับนะเวลาเรานั่ง เจ้าค่ะหลวงพ่อเพราะว่ามันวันรู้สึกวันนั้นแบบรู้สึกว่ามันมันเข้าไปลึกมากอย่างาาไงีเจ้าค่ะกลัวไหมไม่ต้องกลัวแลอวไม่ไม่ได้กลัวเลยเจ้าค่ะไม่กลัวเลยแบบอิ่มเอมในหัวใจไม่กลัวเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อต้องสลับมาเดินนะต้องต้องทำทั้งสองอย่างอ ย, าอย่าเดินอย่างเดียวเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะอ้าวเรียวบอกกับตาคืทําอะไรมั่งก็ ก็ปฏิบัติครับช่วงนี้มีงานช่วยงานเชิละก็ช่วยงานช่วยงานแล้วเราเรจะจบไหมพี่สุดท้ายแล้วครับพี่สุดท้ายโอเคดีอีกเดือนก็จบแล้วครับโอเคนีได้ได้ปกติฮะหรือปอโตราเชลมาชครับมาตาเชลมาเปกตินะปอตบโอเคครับ อาารยัดแข็งแรงก็นิมนต์หลวงพ่อให้อยู่เกินร2อยี่สิบปีนะเจ้าค่ะอ่าให้เกินสองรอปีไปเลยเลยสาธุเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะเพราะลูกหลานยังยังไม่ถึงไหนเลยเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะไปที่คุณปนอมเซเลอร์ออริกอน แบบนักบรณฑพระอาจารย์เจ้าค่ะรู้วิีคำถามเจ้าค่ะเข้ามาฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติอยู่อย่างสม่าเสมอเจ้าค่ะทาจิตให้เด็กให้ได้นะเจ้าค่ะ okay, ก็ตามาสี่นภาวนาความเจ็บปวดของร่างกายไม่ได้เป็นปัญหาอีกต่อไปเจ้าค่ะ อ, อทำทุกวันให้เป็นวันสุดท้ายทำจิตให้นิ่งสงบเจ้าค่ะหลวพอ่อดีมาก อยากรมะจักแก้ว น, นี่ทุกวันเป็นวันสุดท้ายของเรานะเจ้าค่ะพิ<ม>จารณาความตายอยู่ทุกขณะเจ็บอ<ม>งหายใจเข้าเจ้าค่ะแม้แต่<ม>ความเจ็บปวดก็มาแล้วก็ไปไม่ไม่ได้สุกขไม่ได้ทุกอะไรกับมันเจ้าอ่าอดีนะจ้าพร้อมเจ้าค่ะอ่า ด, ด, ด, ดีมากพร้อมเจ้าค่ะขอบธรรมะจักกวขอบขอบคุณในความเมตตาของพ่อที่คอยอบรมสั่งสอน ให้ลูกได้มีดวงตาเห็นธรรมลูกจะทำต่อไปเจ้าคะ่ะอะครับทุกคนนพชัยเช่ฮนนทบุรีน้องกราบนรรมธการพระอาจารย์ครับมีอะไรไหมไม่มีครับผมมาร่วมพางธรรมครับโอเคนะรทุกนเป็นไปชนะนดาเช่ศรีราชารละสมุต่อการ วันนี้ศิลชาเจ้าค่ะผ้าจานวันนี้ไปใส่บายค่ะผ้ า, าจารย์แล้วก็เดี๋ยวมีวันที่สิบเอ็ดมีลูกค้าไปใส่บายค่ะก็ <c oughs> ไปอยู่คอโดสักพักหนึงแล้วพอทำงานแล้วก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้แยะๆอะไรเงี้ยมันก็มีแบบอยากกลับบ้านเลยอะคะ่ะ <c oughs> เรื่องมันอยู่ที่เราไม่ได่อยู่ที่เขาแลเราไม่ปล่อยวางเอง ถ้าพระอาจารย์ที่พระอาจารย์สอนนะลูกเข้าใจเลยคะ่ะต้องอยังไงกรื่องของเขาไปเราไปห้ามเขาไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ <laughs> แต่ลูกลูกไปเจอลูกไปเจอใน อ, อคําสอนของพระอาจารย์นะคะโชว์ขึ้นมาพอดีเลยอะ่ะ เ, เวลาอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกเหงาอ้างว้างเพ้งคว้างถ้าคนฉลาดจะเอาเวลามาพิจารณาเ อ, อปฏิบัติให้มาก ค่ะอาจารย์เราได้อันเนี้ยค่ ะ, ะก็เลยกลับมาน้อมดูน้อมดูแล้วก็ภาวนาต่อเออปีเนี้ยลูกภาวนาตัวเองเลยค่ะว่าจะนั่งสมาธิทุกวันค่ะพระอาจารย์อไม่ค่ะลูกว่าลูกค่ะลูกเห็นความยากค่ะพระอาจารย์ลูกเห็นความยากวันนั้นอย่างที่ลูกเรียนท่านพระอาจารย์ว่าไปเรื่อยเรื่มันยิ่งยากในเรื่องขอ ง, ของแบบ คืยี่กิเ ล, เลสอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์มันก็สู้ความเพียนไม่ได้ถ้าเรามีความเพียนค่ะจ้ะกิเลสมันยอมแพ้เราถ้าเรามีความเพียนค่ะอาจารย์ลูง ก, ก็เลยคิดว่าเนี่ยลูกลู ก, ล ก, ลกอ่อนอ่อนได้ข้อเนี้ยลูกก็เลยประวารณาตัวเองเลยปีเนี้ยลูกจะต้องนั่งทุกวันไหมคะ่ะแล้ววันนั้นค่ะวันนั้นเ อ, อ่อเกิดอะไรนะลําไส้อาหารเป็นพิษคะ่ะอาจารย์อาเจียน มันก็ทรมานนะคะปวดท้องอะไรเงี้ยแล้วลูกก็นึกถึงศิลนะคะที่เขาผ่าตัดสมองอมเงยอะๆแล้วเขาแบบเขาไหวโอ้ลูกก็นึกถึงเขาเก่งจังลูกแค่แบบว่าอาหารเป็นพิษอีกจะเป็นจะตายแน่ <laughs> ทำไมมันทรมานนี่ ท, ทั้งๆที่ก็เคยเป็นนะคะไม่ใช่ไม่เคยเป็นเรื่อพูดโธไงตอนเี้ก็พุทโธพูดโธพุโทพโธ ท, ทำใจให้สงบแล้วลูกก็นเนี่ย แล้วมันถอดจิตออกยังไงก็ไม่เห็นขำก็นึกขมตัวเองอยู่นะคะพระอาจารย์อุ้ยทำไงไม่ให้มันทรมานจิตไปเท่ากับเจ็บไปเท่ากับร่างกายไม่แยกออกมาค่ะพระอาจารย์เหมือนแบบเราเรายังเขาเรียกว่าอะไรนะเรายังไปอยากให้มันหายเรายังไปอยากมันหายใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วเราก็เลยทรมานเยอะรถ้ายิ่งอยากเยอะก็ทรมานเยอะช่ถ้าเรา ถ้ายอมเจ็บย้ามเจ็บย้อมปําอยมันเป็นไปเดี๋ยวมันก็ความตทรมายก็จะหายไปค่ะโอ้นี่ขนาดงานง่ายๆนะของลูกนะครูหนุ่ตอนนั้นลูกนึกถึงคุณแม่น้องหลินเลยอ่ะวิ่งเก่งจังเลยอะไรเงี้ยจริงค่ะอาจารย์จะได้จะได้เป็นข้อสอบของเราค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกไปใส่บ่ายค่ะอาจารย์อ่าขอบคุณอาจารย์ อายุยืนเกินสองร้อยปีนะคะพระอาจารย์ร้อยธาตุันธจิตเราอยู่เป็นเป็นหมื่นปีแสนปีได้ขอให้แบบว่าพาตขันธ์แข็งแรงด้วยค่ะอยู่เทศไปอย่างเงี้ยค่ะได้ไปเรื่อยๆด้วยด้วยค่ะพระอาจารย์ขอบคุณพระอาจารย์ค่ะคุณมารีอาจนมารีเป็นยังไง ค่ะหลวงพ่อค่ะหนูนึกว่าเข้าไม่ได้แล้วเวลาวันนี้ก็น้อยหน่อยมีอะไรก็พูดอะไรกันยก็ไม่มีอะไรหนูก็ยังปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ะหลวงพ่อโอเคเหมือนเดิมนะค่ะเหมือนเดิมเพิ่มเพิ่มกับเดิมเข้มขนเข้มข้นมากขึ้นพิจารณามากขึ้นนะค่ะหลวงพ่อดีใจที่เข้ามากล่าวหลวงพ่อหนูหนูเข้าตั้งแต่ สองทุ่มประมาณสี่นาทีก็เลยเปิดทิ้งไว้คิดว่าคงเข้าไม่ได้แล้วแล้วก็หนูก็นั่งสมาธิอยู่เสียงเสียงพ่อดังขึ้นมาหนูเลยกระเดกหงอามาขอบพ่ะคุณครับขอบะคุณค่ะสาธุค่ะาธุค่ ะ, ะ, ท, ะที่คุณจ้าวันสุดท้ายวนันนี้คุณจ้าวมันจะมารอค่อสุดท้ายเลยทำยางไงนะรอเปิดกรงต้องทีหลังเลยค่ะคือหนูก็คอย ดูว่าใครพูดไปแล้วบ้างแล้วพอเหลือสักห้าหกคนสุดท้ายหนูก็ค่อยเปิดขึ้นมาะอะไรเงี้ยเป็นคนสุดท้ายมั่งรองสุดท้ายมั่งะอะไรอย่างเงีระหว่างระหว่างก็ลองลองก็ฟังอยู่ก็ไปทําอะไรอยฟังค่ะแล้วก็ค่อยไปมาดูว่าจะมีคําถามใหม่ที่เกิดขึ้นจากการที่ฟังด้วยหรือเปล่าจะได้รวบยอดทีเดียวค่ะว <laughs> ันนี้มีอะไรไหมวันนี้หนูมีคํา ถามเรื่องเอการโกหกคะ่ะพอาจารย์คือ mm. หนูเคยรู้สึกว่าถ้อหนูเข้าใจนะคะว่าหนูไม่สามารถควบคุมให้ใครรู้สึกสุขหรือทุกข์กับสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังแต่หนูรู้สมมติหนูมีเพื่อนคนหนึ่งที่หนูรู้ว่าถ้าเขารู้เรื่องเนี้ยเขาจะเสียใจสมมุติเขาถามหนูว่าหนูมีสิ่งนี้ไหมแล้วเขาเกลียดสิ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งการที่ตอบว่ามีมันทําให้เขาเสียใจแน่ๆอย่างเงี้ยค่ะ หนูเคยเข้าใจว่าการที่หนูโกหกหนูยอมโกหกไปว่ามไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความเมตตาที่หนูมีให้เขาพหนุไม่อยากให้เขาทุกข์แต่หนูก็มานั่งตบผลึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความเมตตาใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วมันคือเราเอง <ทำ S 2> อยากปัญหาเัาหน่อยควาอยากไม่ให้เขาไม่ให้เขาเสียใจ จริงเนระาควยจะให้เขาเสียใจไปให้เขายอมรั บ, บความเป็นจริงดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาคอยโกหกกันเยอะเลยโอเคค่ะก็คือมันก็เพราะถ้าหนูด้วยอย่า ง, างมากก็พกราดว่าไม่ตอบแล้วแต่บอกเข้าไปอย่างเงี้ยนะไม่ขอตอบไปทางนั้นนะคะแต่ว่าฟางเรื่องถ้าพูดอย่างนี้ปั๊บอ่ะมันจะกลายเป็นปัญหาแล้วว่าอ้าทําไมต้องไม่ตอบแสดงว่ามีสีอะไรแบบอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยอย่างเงี้ยก็ตอบตอย่างเงี้ยก็มีที่ไม่อยากตอบเพราะไว่ กลวจะไม่เสียกลัวจะเสียใจก็บอกเขาไปตรงๆก็ได้ก็ช่วยไม่ได้นะคะใครเมืย อ, อ, อก่อนเมื่อก่อนจะตอบคำถามว่าพร้อมที่จะฟังรึเปลถ้าเราตอบนะเราไป็นคนเราจะไม่โกหกนะหนูกลัวว่าตัวเองเนี่ยค่ะที่พอเรารู้ว่าเขาทุกข์แล้วเราเนี่ยทุกข์แล้วเราเนี่ยไม่ยอยากเราก็เราไม่อยากจะเสียเพื่อนด้วยบางทีค่ะ ไม่อยากจะเสียความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อกันใช่ค่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะพระอาจารย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ่อเข้าเขาเรียกว่าอะไรนะยานยานใช่ไหมคะที่เป็นเรื่องปัญญาอ<า>ืึ่ยานเป็นปัญญาฌานเป็นสมาธิค่ะทีนี้ <c oughs> หนูฟังเอ่อเหมือนเป็นคารวะท่านหนึ่งที่ศึกษาพระไตรปิฎกเยอะๆอะ น, นะคะแล้วเขาก็เหมือนเอาพระไตรปิฎกมาเล่าในทางทฤษฎีว่า ยานมีแบบเหมือนสรุปรวมได้เป็น16ขั้นแล้วเขาก็จำแนกให้ฟังว่าในแต่ละขั้นควรจะมีอะไรที่เอาไว้พิจารณาเช่นแบบเห็นเกิดดาบก่อนและเห็นเป็นไตาลากและเห็นนี่เห็นนั่นอะไรอย่างี้ไปเรื่อยๆค่ะคำถามของหนู ก, ก็คือในทางปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ถ้าคนคนนึงไม่เคยมีการศึกษาเรื่องนี้ที่จะมารู้ว่ามันมี16บขั้นเรามันไม่ได้เป็นมันไม่ได้สลักสาคัญอะไรใน16ขั้น ไม่เป็นประเด็นสําคัญสําคัญที่เราหยุดความอยากว่าน่าได้หรือเปล่าอืมก็คือจริงๆหลักสําคัญเลยก็คืออานาปนานสติที่ให้ตามลมพอตามลมแล้วมันจะเกิดสมาธิขึ้นมาพอมีสมาธิเราแค่ต้องรู้อริยสัจสี่รู้แต่ละแค่นี้ก็เพียงพอแล้วถูกไหมคะ่ะได้ถ้าเราใช้ถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องใช้ใช้ปัญญามาสอนใจให้หยุดความอยากด้วยการเห็นอริยสัจสี่เห็นเห็นใจรักมันก็จะหยุดได้ อืมพนุษย์ได้ินที่ที่ท่านนี้เขาบรรยายว่าเขาติดอ่าอยู่ในจุดที่เขาเห็นการดับแต่เห็นอยู่แค่การดับเป็นปีๆแล้วเขาไม่สามารถไปต่อได้อะไรแบบเนี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าเอาแล้วแปลว่าหนูต้องรู้เรื่องนี้ลึกหรือเปล่าหนูจะได้รู้ตัวว่าหนูติดอะไรแบบเนี้ยก็คือมันก็ให้หรหู้เห็นว่าสิ่งที่สิ่งที่ที่ทําให้ ความทุกข์เกิดขึ้นก็คือความอยากของหนูเช่นอยากให้เพื่อนเขาไม่เสียใจก็เลยทำให้เรามีความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วแทนที่จะพูดความจริงแเราก็ต้องไปพูดโกหกไปทำบาปนี่อย่างถ้าเราบอกว่าการทำบาปนี้ไม่ดีนะแล้วเราเลื่อมความความอยากของเราไปทำให้ใจเราทุกข์เองอจะไม่ทุกข์ก็ได้ถ้าเราพูดความจริงให้เขาฟัง แล้วก็พูดไปสวยก็จะทุกไม่ทุ ก, กมันก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่มีเจตนาไปทำให้เขาทุกข์ก็แล้วกันโอเคค่ะเือต้องเห็นว่าความทุกข์คือความทุกข์องเราเกิดจากการที่เราอยากจะไปจัดการกับเพื่อนของเราให้ตามใจเขาให้แต่เราเขาก็เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นไปตามที่เราคิดหรือเปล่า อาจจะคิดว่าเขาจะทุกข์แต่คนจดียวเขาอาจจะไม่ทุกข์ก็ได้ถ้าเราพูดความจริงให้เขาขฟังเห็นก <Yeah. S 2> ันนี้ก็มีสองทางเรืองกรเฉยไปเรื่องแม่ก็พูดไปพูดตามความจริงไป <Yeah. S 2> แล้วเราก็ยอมนะครับเขาจะโกรธเราหรืออะไรก็เรื่องของเขาก็จะทุกข์ก็เรื่องของเขาไปแต่ใจเราจะไม่ทุกข์เจ้าเพราะใจเราไม่มีความอยากที่จะไป เอาใจเขาได้คะ่ะพาาูอาวุโในเรื่องนี้หนูพยายามเลี่ยงค่ะอย่างยังทำใจไม่ได้ว่าถ้าพูดไปแล้วเขาเสียใจแล้วแบบเป็นเพื่อนแตกหักกันไปหรืออะไรแบบอย่างนี้ก็ไม่น่าจะถ้าเป็นเพื่อนจริงมันไม่ไมน่าไม่น่าจะมีอะไรมาทำให้แตกหักกันได้มันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็กลัวว่า เอ่าเหมือนอย่างเหมือนอย่างที่คุณต่ายเอะคุณชื่อต่ายหรือเปล่าหนูจำไม่ค่อยได้ที่ว่าทะเลาะ ก, กับพี่สาวอะไรเงี้ยมันมีตอนหนหนูรู้สึกว่าเรา่าควบคุมไม่ได้ว่าเวลาที่เรามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและอีกฝั่งเขาจะยังไงเรา่าไม่อยากเสียมิตรภาพกับเขาแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะแตกหักกับเราไหมอย่างเงี้ยค่ะ<ต>หนูก็ยอมแล้วาาลว่าเราก็ทําบาปแล้วก็มีผลตามมา แล้วถึงวันหนึ่งถ้าจะกลับมามันก็จะเหมือนอย่างเคสเขาคุณตายเขาใช่ไหมคะที่สุดท้ายก็โชคดีได้กลับมากันใหม่อะไรอย่างนี้แต่ถ้าไม่งั้นก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมกันไป อ, อหมดห่วงไปนะคะตัดห่วงไปอย่าไปยึดอย่าไปติดเขาเขาไปเขาจะพอใจไม่พอใจเราห้ามเขาไม่ได้ อ, อย่างหงตาท่านเคพูดว่าถ้าไม่เต็มใจคนท่านเต็มใจทำํำ ถ้าเกินใจคนต้องทำองทาก็จะแหลก อ, อยากจะให้ทำคือศีลธรรมแหลกแม่ศีลธรรมนี่มันรักษาวความเป็นม น, นุษย์ของเราไวนะ้น<ฆ>่ะถ้าเราโกหกเราลวงนี่มันจะทำให้เราสูญเสียความเป็นม น, นุษย์ไป พระอาจารย์เขพูดถึงหลวงตาหนูขอสั้นๆอีกหนึ่งข้อนะคะว่าหนูเหมือนได้ยินมาหนูไม่แน่ใจว่าได้ยินผิดไหมที่ว่าหลวงตาช่วงที่เริ่มเริ่มปฏิบัติหกประมาณหกปีแรกหลวงตาเข้าสมาธิได้แค่ประมาณสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือคณิสมาธิหรืออัปปนาค่ะอัปปนาเป็นแต่ว่าท่านไม่ได้ช่วงนั้นท่านยังไม่ปฏิบัติทั้งเดนทังสือ๋อคือ ย, ยังไม่ไ ด, ยไได้ยังไม่ได้พบหลวงปู่มั่นยังไม่จะเป็นพระป่ายังเป็น พ, พระพระบ้านอยู่ อ๋อโอเคค่ะปเรียนปริญญาเรีนปปปเรียนชั้นชั้นที่สามชั้นจบปปเรีนสามค่ะก็ใช้เวลาหกปีศึกษานักทำตีตเองแล้วก็ปปทหนึ่งปทสองปตสามช่วงนั้นท่านก็เวลาว่างท่านก็นั่งสมาธิมันตลอด้วยะเวลาหกปีนั้นท่านจิตดมให้สามครั้งครั้หนึ่ง อืมและนี่คือท่านไม่นับคณิกะสมาธิใช่ไหยคะท่านพูดถึงก็แล้วแต่มันจะเป็นคานิกาหรืออัปปนาท่านก็ไม่ได้ไม่ได้บ่งบอกมันก็ได้ทั้งสองอย่างหมายงานจะเป็นคานิกะก็ได้โอ้โหขนาดระดับหลวงตายังรวมได้แค่สามครั้งในหกปีอ่าตอนนั้นท่านก็ยังเป็นพระธรรมดาท่านก็ยังเป็นพระบวชอยู่่ตอนนี้ท่านปละวัของท่านท่านเล่าว่าท่านไม่อยากจะบวชทีนี้พ่อแม่ก็บอไม่อยากจะให้ลูกลูกชายบวชสักคนหนึ่ง ที่ชงพี่ชายแต่ละคนก็นไม่ยอมบวยแก่พ่อแม่ก็บอกมีมีเจ้า บ, บัวนี่แหละที่เพิ่งฝากเราไว้พายให้มันให้เราได้ขึ้นสวรรค์พอพวกนี้หลวงตาท่านก็นั่งกินข้าอยู่ท่านก็รุ้หนีเลยท่านไม่อยากจะบวชหลังจากนั้นท่ า, า, น, ากนก็มันคิดแล้การบวชมันก็ไม่ได้เหมือนกับไปติดคุกติดตารางที่ไหนนะวะ อ่าเลยบอกพ่อแม่บอกอ า, าผมจะบวชให้แต่อย่าว่าอย่าบังคับว่าต้องบวชกี่ปีกี่เดือนนะอ่าถืออ่าไม่ไม่ก็ม่ม่แ่งทางกันฉลดว่าถ้ามึงบวชแล้วมึงออกจากบวช้วมึงจะสึกมึก็ไม่ว่ายนะฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ้าท่บอกใครว่าใครจะบ้าพอเ อ, อกจะบวชมาแล้วจะาศึก่าฮ <c oughs> <ต>่าฮ่นก็ไม่อยากจะบวชแต่พอดีท่านโชคดีไปเจอพระปฏิบัติท่านเขาว่าสอนพุโทโธพุโทโธ แต่ช่วงนั้นท่านก็ยังเหมือนกับตามตามธรรมเนียมของพระบุตใหม่ก็ต้องเรียนนักทำตีโทเอกไปก่อน<ม>แล้วก็มีคนชวนให้เรียนมาเรียนต่อท่านก็เรียนต่อไปแต่พอท่านได้คั้นที่สารท่านรู้ว่าพอแนละ้วความรู้ทางโลกนี่มันมันไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติเท่าไหร่เลยไม่ได้ช่วยการปฏิบัติเลยท่าน<ม>ก็เลยไปหาครูบาอาจารย์หนึ่งอะก็เลยได้ไปพบได้เห็นหลวงปู่มั่นข้างหน้าที่เชียงใหม่ ก้เห็นวิทยาการของหลวงปู่มาเนะเกิดความเรื่มสายศรัทธาก็เลยพอพอพอได้หกพรรษาท่านก็เลยหนีหนีจากพระอาจารย์ที่ท่านเรียนท่ารทำด้วยคือาา <Okay. S 2> ท่านก็ไม่ให้ไปท่านอยากให้เรียนเกบประเด็นเก้าอย่างนี้อ๋อค่ะแต่านไม่เแล้วท่านต้องไปปฏิบัติท่านก็เลยช่วงที่ท่านไม่อยู่ท่านก็ไปเลย <laughs> จะได้ไม่ต้องขัดใจกันนะใช่ไม่ต้องขัดใจกันอันก็ไอ้พบอผีหลวงปู่ม่านเก้าปีช่วงนั้นละที่ท่านปฏิบัติเข้มข้นนั่งสมาธิทั้งคืนเนี่ยแต่เท่จริงๆค่ะแต่ช่วงที่หลวงปู่ม่านอยู่ยังไม่ท่านยังไม่บรรลุนัะท่านบอกหลังจากที่หลวงปู่ม่านไปแท่านยังอยู่ขั้นสุดท้ายอยู่อตอนขั้นสุดท้ายที่ตอนที่ท่านบอกจิตของท่านสว่างสวัยอันนั้นหลวงปู่ม่านท่านมาหน้าภาพไปนะ ท่าอถ้าเราปูม่านอยู่ถ้าเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ท่านังท่านจะบอกว่าให้ต้องทำอย่างไรบ้างแต่แต่ตอนนั้นท่านไม่รู้วิธีปฏิบัติกับจิตที่สว่างสวยนี้ยังไงเราต้องใช้เวลาเกือบสมเดือนก่อนจะก่อจะเข้าใจันถึงจะมาสามารถแ ก, แก้แก้ปริศนาธรรมอันนี้ได้ใครได้ยิ น, น1 6บกพรรษาเนี่ยพรรษาสิบหกถึงจะบรลุอ่าโ องนก็ต้องเข้มข้นการปฏิบัติถ้าอยากจะบรรลุธรรมนี่เราเข้มข้นมาอาให้แน่แต่ละคนก็ไม่แน่คนละคนอาจจะมีบารมีมากน้อยไม่เท่ากันด้วยนะตอนนี้หนูก็เอาแค่ให้พุทโธไม่หลุดให้ตามลมแล้วไม่หลุดแค่นี้ยังยากเลยค่ะอาจารย์แค่รักษาสินให้ได้ก่อนเนะอย่าไปเกนใจอย่าไปเกินใจคน เกณใจคนทําก็แหละต้องเกนใจทำํำนักคนจะแหลกกระช่างก่นคนเป็นของชั่ว ข, ข่าวอืมค่ะพระอาจารย์หนูจะปรับความคิดใหม่ค่ะแล<ต>ะถือจะได้เป็นโสดาบันได้โสดาบันไม่ไ ม, ไม่ไม่โกหกโดยเด็ดขาดค่าพาาะพระอาจารย์สาธุหนูแบบอยากอยากถึงในชาตนี้อย่างน้อยหนูหนูกลัวจะไม่ถึ ง, างมากเลยกิเลสยาวพืเงยาวโสดาบันอนะ อะไรนะคะจ ะ, จะเอาเพื่อนเลยวเอาเพื่อนนี่อีกไม่รู้กี่ร้อยกี่แสนใช่ก็ไม่ได้สุ ด, ดาบันทัดทีต้องคอยโกหกอยู่เรื่อยฟังละเหนื่อยเลยอืมโอเคนะค่ะขอบพระคุณมากคะ่ะพระาอาจารย์สาธุไปได้วยกันหนละังต่อคำถามสุดท้าย กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสองคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติและย o u t u ด e d r เตอร์วีแเจ้าค่ะคำถามแรกกราบนมัสการพระอาจารย์ครับถ้าเราปลีกตัวออกจากหมู่คนมาอยู่คนเดียวปฏิบัติธรรมไม่ค่อยมีสิ่งมากระทบเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราจเจริญในธรรมแค่ไหนมีอะไรเป็นตัวชี้วัดครับกราบขอบพระคุณครับ ก็มันมีกิเลสในใจเราเนะี่ยต้องมีอะไรมากระทบเรากิเลสในใจมันกระทบเราอยู่ตลอดเลยนะอาใ้กิเลสในใจเราหมดไปคนบรรลุธรรมส่วนใหญ่ท่านมนรรลุอยู่ตามางงลำพังท่านผู้เจ้าก็อยู่ตามลำพังหลวงบู่มันน่นท่านก็ไปอยู่ตามลำพังเพราะมันตัวที่มันต้องแก้มันอยู่ในใจเราคือตัวกิเลสเนี่ยมันอยู่ในใจเราไม่ต้องร้ายคนอื่มากระทบเราคำถามสุดท้ายจากคุณอัมภัยพันธุ์ ต่อจากปิติสุขเอกคตาและอุเบกขาแล้วจะทําอะไรต่อคะในสมาธิไปต่อไม่ถูกค่ะให้มันอยู่อย่างนั้นนานๆเป็นชั่วโมงได้ยิ่งดีให้มันนิ่งอย่างนั้นไปเนร น, น่อจนกว่ามันจะออกมาแล้วก็เข้ามาพิจารณาร่างกายศึกษาธรรมชาติของร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงกระแก่เจ็บตายไม่มีตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพื่อปล่อยวางร่างกายต่อไป หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ท่านจงนำมาส่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอญ